ดเินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ที่มีความสนใจอยากจะร่วมเข้ามาถามคำถามก็เชิญเข้ามาได้ถ้าเข้ามาทันพราจะมีคนเข้ามารอกันเยอะ ถ้าไม่ทานก็ดูดูที่เฟซบุ๊กที่ยูทูบไปก็ได้อันนี้เราก็จะเริ่มตอนที่เด็กชายนักคุณอนักคุณอยู่โตเกียว่าไน้อมัสมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เด็กได้ยินค่ะวันนี้เด็กนีไปอ่านหนังสือแ่้ค่ะอ๋อไม่อยู่เลย ค่ะนอนอ่านหนังสือหรือยู่ค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> วันนี้มากราบ <Okay. S 1> นมัส ก, การพระอาจารย์ในเชิงทาก่อนวันเข้าพรรษาโอเคแล้ว <Okay. S 1> oh <my> ก็ไปที่จำแม่กับแจที่ต่อเชิญจำแม่กับแจทีคุราบนมัส ก, การพระ <พา S 3> อาจารย์ครั บ, รบอ่ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้มาส่งกันบ้านครับ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 มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องายเราทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบา ป, เ, ป, บาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนั้นนั้นสิไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถดร่างกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหอวใจตับทางพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสษนน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื้อ น้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดียื่นในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไซใหญ่ปอด ไตผังผืชตับหัวใจหมามแกนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนอ่าดูปรากฏนางงามจากอควานะบ้างอ่าไม่ได้ดูเลยเห็นอาการสามสิบสองไหเห็นครับอ่าร่างกาย ถ้าไม่พิจรารณาก็จะหลงคิดว่าเป็นนั่างร่างกายที่น่าดูน่าชมน่าเอามาอวดเอามาโชกันะครั บ, รบแต่ถ้าพิจรารณาก็ไปดูอาการ32แล้วก็ไม่มีอะไรน่ามาอวดน่ามาโชกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ยังนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่านั่งอยู่ครับอ น, นั่งแล้กี่นาที30นาทีครับบางวันก็15นาทีครับเพราะว่า มีแน้องทั้งคู่อจะที่นั่งด้วยเปล่าพ่อนั่งครับนั่งพร้อมๆกันนะครับโอเคแล้วคุณแม่นั่งด้วยเป่านั่งด้วยครับอ่าคุณพ่อไม่นั่งเหรอไม่นั่งครับคุณพ่อจะสอนพิเศษครับสอนพิเศษอ่าโอเควันนี้คุณแม่หาไปไหนล่ะวันนี้คุณแม่อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งครับวันนี้เจ็บคอครับอ๋อมีคําถามไหมอย่าถามเลย ไม่ ม, มีนะครับอืมถ้าไม่มีงั้นก็ไปต่อนะขอบครณบขอบคุณอาจราจรย์ครับาน้องพีน้องพีเปิดหม้า น, น้สักครั้งจังตาอันนี้หนูมีคำถามว่าในทำไมประเทศอาเซียนถึงมีคนนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่อะครับก็ไม่ส่วนใหญ่ละถ้าดูจริงจริงอินโดนีเซียนี่จะมีชาเขานับถึงศาสนามุสลิมอินโดนีเซียมีต้องร้อยกว่าล้านคนเอ้เกือบสองร้อยล้านคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมมาเลเซียก็เป็นมุสลิมใของอาเซียนก็มีแค่ไทยก็มีฮินดูอัลพม่า นี่นับถึงศาสนาพุทธอันนี้มันก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์การเผยแผ่ของศาสนาเข้ามาในแต่ละประเทศก็บางประเทศก็รับได้บางประเทศก็ไม่รับมันก็เลยมีเพราะบางประเทศเขาก็มีศาสนาของเขาอยู่แล้วมันก็เลยไม่รับศาสนามันก็เลยไม่รับศาสนาใหม่เข้ามาทำไมนะอยากจะรู้ทำไม ถามบอกตาสิว่าหนูเรียนอยู่ใช่ไหมหนูสอบหนูก็หนสอบเรื่องเรื่องประเทศในอาเซียนและหนูเพิ่งจะมาสังเกตเห็นนะคบว่าศา ส, สนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ในอาเซียมีมีหลายประเทศที่นับถือ มันมีแค่สี่ประเทศในท้องที่นับถือศาสนาผู้เป็นหลักตรงนั้นเขาก็มีศาสนาอื่นฟิลิปปินส์เขาก็มีศาสนาแคต่ตัวเดยอินโดนีเซียเขาก็มีมุสลิมมาเลเซียเขาก็เป็นมุสลิมสิงคโปร์เขาก็แบบเขาก็ไม่มีศาสนาสิงคโปร์ค่ะประเทศไกันปะ คริสหรือเปล่าะหรือว่าเขามีหลายหลายหลายหลายอย่างมีหลายชนชนชาติอยู่ร่วมกันค <Chris, S 2> ริสแล้วก็พูดด้วยอ้อาวทว่าหน้าของตาอาจารย์ยังอาจรอาจรย์ไหมครับครับจะถามเรือ่องสังคมของตาไหมที่เพิ่งสอบไปพุทธศาสนามีอะไรสงสัยอีกหรือเปล่าไม่มีค่ะช โอเคคุณแม่มีอะไรไหมไม่มีค่ะพรงพรุ่ ง, งนี้เนาะสอบแล้วครับท่องที่เป็นนอนเพราะว่ากลัวไปโรงเรียนสายครับอสอบวันสุดท้ายค่ะใ่จะปิดเทอมแล้วนะไม่ไม่ปิดค่ะอันนี้สอบกลางภาคค่ะอสอบกธรรมดาช่วงนี้นงเห็นน้องเห็นเต้งก็ปิดกันไม่ยากเลย โอไม่ได้เรียนอินเตอร์ค่ะเรียนเอกชนธรรมดาค่ ะ, ะแต่เ็นแต่ว่าแต่เพนแต่ะว่าโร ง, งเรียนที่เรียนอยู่อ่ะต่างชาติต่างชาติจะเยอะแล้วก็อ่าเจ้าของโรงเรียนที่ว่าที่เขามาเทคโอเวอร์เป็นต่างชาตินะคะอะเด็กต่างชาติก็เลยเยอะคนนี้เขาก็เลยพูดได้ตั้งแต่เด็กภาษาอังกฤษก็ก็เลยโชคดีไปค่ะไม่ต้องเรียนอินเตอร์เหมือนคนโตยัง <laughs> เขาปิดแตงตอน ก็ไม่เหมือนคนอื่นก็เห็นคนะ่ะก็ปิดตามปกติค่ะหลวงพ่อเหมือนแบบเอกชนทั่วไปที่แบบว่าเรียนเรียนแบบอินเดชโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของน้องพีนี่เขาเป็นหลักสูตรแคมบิดเจ้าค่ะก็จะแบบออกสำเนียงแบบพวกกิดตนิดนึงแล้วต่างชาติเยอะครูจะเยอะนี่เขาก็พูดภาษาอังกฤษทุกวันทั้งวันค่ะภาษาไทยก็เรียนด้วยค่ะวิชาภาษาไทยโอเค ภาษาอังกฤษเยอะจนภาษาไทยเขียนไม่ถูกจะต้องให้ขัดเขียนเขาไม่ได้สอนภาษาไทยในโรงเรียนใช่ไหมสอนค่ะภาษาไทยสอนภาษาภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะสอนอมหมดแล้วก็แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ก็จะสอนเป็น อ่าก็มีภาษาอังกฤษก็จะเป็นอังกฤษหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะลูกอังกฤษท science math อังกฤษหนึ่งสองนันก็สอนเป็นภาษาอังกฤษหมดหรือว่ามันสอนเป็นภาษาไทยนู่นสลับกันอ่าถ้าเป็นแบบพวกเป็นแมท science แล้วก็พวกอ่าอะไรนะลูกอังกฤษก็จะเป็นครูต่างชาติสอนเลยค่ะคือที่นี่อ่าภาษาอังกฤษประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ค่ะเยอะ ครูต่างชาติก็เยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยภาษาอังกฤษทั้งวันครับเพื่อนในห้องก็จะต่างชาติก็จะมีเยอ ะ, อะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอ่าทางมาทางอิสลามบ้างอย่างเงี้ยค่ะต่างๆ ป, ประเทศอ่ทางในนนะดตุรกีอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสัชาติมีตุรกีมีรัสเซียหลังๆก็เริ่มพอมีเข้ามาบ้างค่ะก็ทมีหลากหลายดีค่ะ เขาได้เรียนรู้สัมเนียงเยอะได้เรียนรู้วัฒนธรรมก็ต้องสอนกันไปเพราะว่าวัฒนธรรมต่างชาติกับคนไทยก็จะแตกต่างกันคําพูดคำจาอะไรอย่างนี้ยอืมโอเคมีคําถามอะไร ไ, ไหมไม่มีเจ้าค่ะพ่ออ่ถาถไม่มีก็ไปที่น้องตะวันต่อน้องตะวันราชการค่ะพ่อถ้าแ ข, ง ข, ง ข, ง ข, งขง็งแรงเจ้าค่ะอืม แบต ร, ระอาจครับมีคำถามไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคำถามคับคุณแม่มีไหมยโยมไม่ยังไม่มีข้อสงสัยสภาราชการเอยมนก็ก็ผ่านเลยนะกาศสภาราชารผัก ส, สารุษค่ะเห็นไปได้คุณหอพิเชนเมื่อกี้เข้ามารล้วิดชอกไปไหมอาจายคุณหนอเปิดม่ได้คุณหมอ กับการนวัตการพระอาจารย์ครับปรดีเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าปุ๊บมันก็เลยหลุดเลยครับอได้เข้ามาใช่ครับขอกวามเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายผลของกรรมนําพาจิตใจครับพระอาจารย์คือกรรมมันทําแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ใจเป็นหลักไม่ได้เกิดที่ร่างกายหรือราบยศสนรเสริญ อันนั้นมันเป็นผลที่ปลอยได้บางทีก็เกิดบทีก็ไม่เกิดก็ได้แต่ที่เกิดโดยตรงก็เกิดขึ้นที่ใจคือจะมีความมีสองอย่างใจจะไปเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเวลาทําบุญทําความดีก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาทําบาปทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่ทำพอทำเสร็จปั๊บก็จะรู้สึกมีความสุขใจทำบุญเสร็จก็มีความสุขใจทำบาปก็รู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาแล้วต่อมาบุญกับบาปที่ทำนี่มันจะสะสมไปเรื่อยๆใน ใ, นใจจนถึงวันตายพอร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะถกบุญกับบาปที่ได้สะสมไว้เป็นผู้ที่มา ดึงใจไปในทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะจดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายไปอยู่ในนรกแล้วก็จะรับผลบุญผลบาปไปจนกระทั่งอํานาจของบุญของบาปหมดกําลังลงบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงไปอบายได้ ก็จะมาเกิดได้นั่งกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาทาบุญทาบาปตามนิสัยเดิมใหม่ชาติก่อนเคยชอบทาบาปบ่ญเกิดชาตินี้ก็จะมาทาบาปต่อชาก่อนชอบทาบุญชาตินี้ก็กลับมาทาบุญต่อแต่ก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราไปอยู่กับใครเวลาที่เรามาเกิดใหม่ถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวที่เขาทาบุญถึงแม้เราเคยทาชอบทาบา เขาก็จะห้ามเขาก็จะสอนให้เราทำบาปเราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเคยชอบทำบุญแต่เราไปเกิดในครอบครัวที่เขาชอบทำบาปเขาก็จะดึงให้เราไปทำบาปได้เราก็อาจจะเปลี่ยน น, ย น, นินนจจนนสัยของเราได้ยกเว้นว่าถ้าความชอบบุญหรือชอ บ, บาปนี่มันฝังนึกมันมีมากต่อให้มีใครมาดึงให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน คนที่ทำบุญมามากมีความนิสัยชอบทำบุญมากถึงแม้จะไปอยู่ในครอบครัวที่ทำบาปก็าอาจจะไม่ทำบาปของเขาไม่ได้แล้วก็จะมุนเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปจนงกาลจะมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการเวียนว่าตายเกิดนี่เกิดจากตัณหากิเลสตัณหาความอยากของเขา ถ้าไม่อยากจะกลับมาวินว่ายตายเกินก็ให้ไปปฏิบัติธรรมเป็นบวชเป็นนัก บ, บวชหรือศีลแปลขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติสมาธิปัญญาก็จะสามารถที่จะตัดคว า, ามอยา ก, กต่างๆที่ในตันหาให้หมดไปจากใจได้เมื่อหมดไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็จะอยู่ที่พระนิพพาน นี่ไม่เป็นการเป็นว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวงนวายท่านอยู่กันก็อยู่ที่พระนิพพานนี่คือวิบาก ค, คือผลของการทําบุญทําบาปหรือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังได้ผลแต่ละอย่างต่างกันไปพอใจใอย่างมโน่พอใจมากขึ้นมากครับอาจารย์กลับขอบคุณอย่างสูงครับ โอเคเรียนไปที่ท่านต่อไปคุณแพ้ผ้าเลยแพ้ผ้าเยอะเชิญเดี๋ยวกกรศกรัอาจารย์ที่จะมาค่ะปอดีอ ย, อ, อยู่กับน้องตอนแรกน้องจะเข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยแต่ว่ากลับไปแล้วค่ะอช่อค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ปีนี้จะถือสินแพนเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เข้าพรรษาโอเคเข้าพรรษาเลยนะเข้าพรรษาครับอาจารย์ตั้งใจไว้ ทกวันเลยเนี่ะใช่ค่ะไหวเลยไหวค่ะปีที้แล้วไหวปีนี้ต้องไหวค่ะไม่มีข้อยังเว้นนะไม่มีค่ะโอเคค่ะะอาจารย์ยินดีด้วยค่ะสาธุค่ะคุณพระอาจาย์ห้าแข็งแรงนะคะไอทีจายนาคุณสาธิกามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะอ ยังไปได้คุณฝนจ้าคุณฝนจัน ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมแล้วก็มากราบพระอาจาร ย, าย์ค่ะยังใจงอแงบ้างไหมก็ยังมีความสงบจากที่ไปปฏิบัติมาบ้างค่ะพระอาจารย์แต่ก็ย่อหย่อนไปพกนิดนึงอค่ะก็เลยต้องเข้ามาให้เป็นกิจวัตรเพื่อที่จะมาหาแรงกระตุ้นนะคะเพราะว่าจะได้ มีแรงไปปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์ไม่ได้กลับมาทําต่อหรือไม่ไม่สะดวกใช่เพราะมันก็ยากค่ะพระอาจารย์ไม่เหมือนตอนที่ไปอยู่ที่นู่นสามวันคือมันมาได้มันได้ความสงบอย่างที่ที่เราเราต้องการคืออาจจะไม่ได้สงบแบบแบบสงบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็สงบกว่าปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะคะพระอาจารย์พออยู่บ้านแล้ว มันไม่ใช่อยู่บ้านนะะพอเราต้องออกมาข้างนอกมาทํางานมนเจอผู้คนแล้วมันค่อนข้างจะยากแต่ว่าจะพยายามทําให้เป็นกิจวัตรเรื่องที่ว่าจะถือศีลแปดอ่าทุกวันพฤหัสค่ะจะพยายามเหมือนว่าทําให้เป็นนิสัยค่ะพอาจารย์จะได้ค่อยๆเพิ่มไปค่ะเน่ควรจะมีความตั้งใจตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติค่ะค่ะโอเคค่ ะ, ะ, คะเจ้าค่ะพอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ อะไที่คุณยายครับคุณสันโดษคุณยายสบายดีนะมาสการครับอาจารย์ดูแข็งแรงดีนะคุณยายก็ยแข็งแรงใช่ไห ม, ม น, นี่นพาไ ร, ไรับวันนี้พาคุณยายมาการาบอาจารย์แล้วก็มาส่งกันบ้านเล็กน้อย ครับผมพระอาจารย์ก็ผมไปฝึกสร้างเขื่อนตามที่พระอาจารย์สั่งไว้แล้วก็ผลปรากฏมันดีเกินคาดครับผมพระอาจารย์ตื่นตอนเช้ามาปุ๊บพุทโถผุดขึ้นมาเลยหรือไม่ก็ลมหายใจผุดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะหลับไปก็หลับไปพร้อมกับนี่แล้วเราพร้อมกับพุทโธหรือลมหายใจระหว่างวันเนี่ยมันมีความรู้สึก มันจะค้างอยู่จากไอ้ที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่ามันเหมืนคล้ายๆพอนั่งสมาธิไปมันตกเหวใช่ไหมฮะอาจารย์ไอ้ความความรู้สึกโล่งว่างนั้นเน่ยมันอยู่คงทนบางทีมันอยู่ได้พร้อมกับคําบริกรรมหรือไม่มีคําบริกรรมมันก็อยู่สบายอย่างนั้นของมันอาจารย์ถูกต้องไหครับไม่ได้ถ้ามันสงบเหมือนใช้คําไม่จําป็นต้องใช้คําบริกรรมก็ได้ถ้ามันสงบครับ บางทีพอพอมันสงบไปถึงขั้นหนึ่งไม่ว่าจะฝึกกรรมฐานกองไหนก็นแล้วแต่พระอาจารย์ยกเว้นอันที่เราเจริญปัญญาครับพระอาจารย์แต่อันที่สมถะที่เราฝึกฐานเนี่ยบางทีเราใช้คําบริกรรมพอไปถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นว่าคําบริกรรมมันก็มีอยู่แต่ตอนเนี้ความสงบสบายใจอะไรต่างๆสติมันมาพร้อมแล้วเนี่ก็เลยเลือกที่จะวางคําบริกรรมไว้ก่อนอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับพระอาจารย์ ก็ให้มันรู้เฉยๆไปก็ได้ไม่ให้มันคิดปรุงแต่งครับผมใช่มันมันได้ที่ผมเรียนพระอาจารย์บอกมันได้ผลดีเกินคาดเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เข้าสู่มาใหม่ๆเคยลองที่พระอาจารย์สอนนั่องกสินนะเคยเคยลองอยู่ครั้งหนึ่งเคยลองเตโชกสินปรากฏว่าจับภาพเลยไม่ได้เลยคิดฝุ่งคิดนู่นคิดนี่แต่แต่พอฝึกฟุตโธแบบตาม ที่พระอาจารย์สอนเนี่ยฝึกบอกว่าฐานนี้มันแน่นก่อนปรากฏว่าพุทธานุสติก็ได้เจริญปัญญาก็ดีแล้วก็เตโชกสินก็จับภาพได้นคะครับอาจารย์มันเลยกลายเป็นได้ไปหมดทุกอย่างขอบคุณท่านทนะี่ทีทสติถ้ามีสติทาแบบไหนก็ได้ครับผมพระอาจารย์่จริงๆมีปิดรู้สึกปิติแล้วก็รู้สึกขอบขอบคุณพระอาจารย์เพราะว่า ไม่งั้นมันอะไรก็ไม่ได้เจริญปัญญาก็คึนคึนกลางกลางสติสมาธิก็ไม่มีไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยครับอาจารย์พอพระอาจารย์สั่งให้กลับมาอยู่กับฐานให้ได้ก่อนเออเราถึงได้รู้ว่าในที่เรามองว่าพุทโธเนี่ยดูจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นปัญญาสําคัญกว่ากลายเป็นว่าถ้าไม่มีพุทโธนี่บัญญาก็คึนคึนกลางๆไปไม่ถึงไหนครับอาจารย์มันไม่มีกําลังที่จะไปหยุดกิเลสได้ ครับผมอาารย์แยิ่งไปฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าท่านไม่ปล่อยท่านไม่ปล่อย เ, อเวลาของท่านแม้สักวินาทีให้ไม่อยู่กับคําบริกรรมหรือว่าอยู่กับการพิจารณาผมถึงได้รู้ว่าเวลาพิจารณาอะไรสมัยก่อนผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดอาจารย์ผมเข้าใจว่ามีอะไรเข้ามาถึงค่อยพิจารณาแต่ความจริงไม่ใช่คือเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอาจารย์เพราะว่าเกิดมันเข้ามาจริงๆเราได้อ๋ออันนี้เตรียมไว้แล้วถูกต้องมไหมครับอาจารย์ ก็เหมืนกับทำการบ้านเรียนนันงสือก็ต้องทําการบ้านเตรียมตัวสอบนะเราไปรู้ข้อขสอบจะมาเมื่อไหร่เราต้เน้นต้องเตรียมตัวทําการบ้านตอบคําถามไม่ได้เวลาข้อสอบมาครับ <c oughs> ผมพระอาจารย์ก็อยากเลยอยากกราบเรียนพระอาจารย์ว่าเออมันดีขึ้นเกินคาดแล้วก็ในส่วนของการพิจารณากายนะครับผมก็ มานั่งดูหนังสือไกยคตาสติแล้วก็พยายามเสิร์ชทางินเน็ตพวกภาพอสุภาษทั้งหลายมานั่งดูดูแล้วก็มองแต่ครั้งนี้เปลี่ยนครับอาจารย์สมัยก่อนคือเรามองเราเพ่งให้มันติดตาแล้วก็เหมือนไปในทางสมถตาแต่ครั้งนี้เราเอามาแล้วเราคล้ายๆว่าย้อนเข้ามากลับเข้ามาว่าเออเดี๋ยววันนึงเราก็มีสภาพไม่ต่างจากแบบนี้อะไรนะครับอาจารย์หรือถ้าเป็นอรูปภาพของ อุบัติเหตุศพที่โดนอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเป็นเปลี่ยนเป็นมรณานุสติขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวเราก็ต้องมีความใจนี่อะไรประมาณนี้อาจารย์ปฏิบัตก็เีเตรียมตัวมว้นี่คือสคร่งการบ้านที่เราต้องทำเวลาเจอข้อสอบมันจะได้ผ่านได้ไม่กลัวไม่เจ็บไม่ทุกข์ครับผมพระอาจารย์ก็พยายามอยู่ครับแล้วก็เวลาเรียนก็ พยายามมีสติอยู่กับเรื่องที่เรียนพอเวลาเรียนหมดก็กลับมาอยู่กับพุทโธ ม, มก็สลับกันไปเนี้ยครัอาจารย์งานงานทั้งโลกและธรรมมันก็ไปด้วยกันก็ทำอย่างนี้ไปก่อนดังสามารถเลือกทางใดทางหนึ่งได้ก็ค่อยไปต่อครับมครัอาจารย์อาจารย์ฮะมีอีกอย่างหนึ่งอย่ากเคียร์อาจารย์บางทีคุณยายเขาท้อ ว่าเออเขาแก่แล้วแล้วก็คิดว่าจะปฏิบัติมีพอแค่นี้แล้วอันนี้ก็ดีมากแล้วสาหรับคนแก่คนหนึ่งเนี่ยเอเราก็คือเราก็คอยะตุต้นเขาครับอาจารย์คอยบอกเขาว่านฮ้ยยยอยู่ยังมันยังไปได้อีกนะเนี่ยโซดาบันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ว่า<ม>คําสอนพอาจารย์มันก็นึกขึ้นมาได้ว่าสอนตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไปสอนคนอื่นผมก็เลยผมก็ขออนุญาตเงียบนะ ให้พระอาจารย์แบบอพระอาจารย์เมตตาบอกว่าต้องทํานี้ต่ออ๋อก็ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ร่างกายคุณยายผู้ปฏิบัติคือใจคือจิตใจและจิตไม่มีอายุไม่มีวันแก่มันเจ็บมันตายงันใจสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะการการปฏิบัติไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติเป็นเครื่องมือ ไปแต่ให้ขยนันพนะุทโธท่านก็พอแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรอย่งก็อย่างนี้สลอดใช่คะเราขี้เกียจเองนะขี้เกียจพุโทโธเลยพุทโธไม่ยากอะไร ล, ลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่ะใจเสาร์อัน <c oughs> นี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอก็ <ify> <c oughs> <โว> <ify> อย่าให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับลมหายใจก็ได้ อันนั่นเองไม่ต้องทําอะไรไม่เกี่ยวนอนทําก็ได้ถ้านั่งทําไม่ไหวก็นอนทําก็ได้ผมขอนอนบ้างได้ไหมพระอาจารย์ได้ถ้าไม่หลับถ้าหลับก็อย่างนอนพระอาจารย์บางทีผมก็แยกไม่ค่อยออกนะพระอาจารย์ว่ามันเข้าฌันหรือว่ามันหลับมันถ้าแยกไม่ออกก็ก็หลับเลยพี่ บางทีเข้าชานไปก็ไม่มีสติไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็หลับเท่านั้นเลยโอเคแยกไม่ออกอเคนะุณยายใจของคุณยายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของคุณยายแข็งแรงเหมือนยิ่งกว่าแข็งแรงยิ่งกว่าใจของนโมสิ ผมทำอะไรผิดไหมครับูดเก็บสียให้ฟังว่าอย่าไปดูที่ร่างกายมันไม่ใช่ม่อยู่ที่ใจครับอาจารย์เราอยู่เราอยู่นะคาตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่เล็กเลยเราจะเราจะจิตแข็งไปด้วยกันคุณยายนำล่องไปแล้วก็ชวยคุณยายปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่งสมาธิก่อนนอน ได้และรู้ถึงอยู่ตลอดะะตอนนี้ต้องการอย่างเดียวครับอาจารย์เวลานอนมันไม่เท่ากันคุณยายชอบดูทีวีจนดึกเนี่ยผมพยายามเกี้ยกลง อ, อยู่ว่าให้<ม>ให้ก่อนนอนให้ฟังพระเทศก่อนอยากฟังพระองค์<ม>ไหนเลือกได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยย<ม>ายก็บอกว่าเครียดนอนไม่หลับเลยทำไมเวลาปฏิบัต น, กนึกับไปเหนื่อยเวลาดูทีวีกับไม่เหนื่อยยายไม่ได้ดูมากมายนะคะส่วนมากก็เล็กๆกน้อยน้อยอย่างเนี้ยคะ่ะ ก็อ่าดูแค่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ระหว่างวันเองครับอาจารย์ถึงไม่เยอะเลยครับถึงขึ้นมาก็คว้านาฬิกาที่สิบนาทีก็เหนื่อยนะไม่ไหวนะยายไปถึงของวันนั้นหยิบเอีนะคุณยายดูไม่เยอะหรอครับอาจารย์แค่ถึงขึ้มงก็คว้านาฬิการีโมดแล้วแล้วก็ระหว่างวันก็ต้องเปิดทั้งวัน แล้วก็ต้องนอนพร้อมไปกับทีวีนี่ละครับดูไม่เยอะนะครับอาจารย์<ม>ปฏิบัติก็เยอะอยู่ครับอาจารย์<ม>วันละครึ่งชั่วโมงบวกครับมผ ม, มก็เยอะครับผมแต่คืนนี้ผมจะพยายามโน้มน้าวดูนะครับอาจารย์ว่าจะนอนฟังข้าเท็ดก่อนนอนไหมก็อย่าไปบางคับมากกันไปเลยเดี๋ยวจะโกรธกันนะ อ้ยคุณยายไม่กดผมหล่อพระจันทระคุณยายเขาคารวะพระอันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะเราต้องบังคับตัวเองะในที่สุดแต่ถ้าบังคับไปเรามีเพื่อนมาด้วยมันก็จะบังคับง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าไปคนเดียวบางทีมันเดียวได้โอเคนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะพระจันทร์กับบังคับค่ะ อ่าไบที่แม่น้องเลนกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอ่าได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติเรื่อยๆอะค่ะเวะลานั่งรถมีอะค่ะพระอาจารย์สําหรับหนูอะค่ะพระอาจารย์หนูก็มองว่ามองตัวเองอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็มองเหมือนรถยนต์เพียงแต่ว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงที่เหลืออยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ของดีของการปฏิบัติธรรมเนี้ยค่ะพระอาจารย์พอรักษาใจเวลาเราจะทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็จะมองในสิ่งที่ประโยชน์กับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอเราทานเข้าไปการหายเวลามีปัญหากับร่างกายอะค่ะพระอาจารย์หนูดูแล้วค่ะมันทําให้การฟื้นฟูเร็วอะค่ะแล้วก็หายไวอะค่ะพระอาจารย์ในการที่เราเลือก การทานอาหารเข้าไปในอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ความอยากของอาหารก็ลดลงค่ะพระอาจารย์สามารถทานอาหารได้วันละมื้อก็ได้ค่ะพระอาจารย์คือไม่มีความอยากของอาหารนะคะคือทานแค่น้อยๆก็อิ่มนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็ดูอาหารที่เข้าไปมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะถ้าอันไหนมีโทษก็จะไม่ทานคะคะคะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ได้ก ใจไม่ได้ทานผู้ที่ทานก็นคือร่างกายฉะน้นต้องดูว่าอาหารอะไรที่เหมาะกับร่างกายที่เป็นคุณไม่เป็นโทษแต่ไปกินตามตามความต้องการของใจเพราใจไม่ได้กินใจชอบกินของนี่เป็นโทษของกับร่างกายชอบของมันมันของหวานหวานใช่ครับอาจารย์หนูก็ดูจากการผ่าตัดที่หลายหลายรอบอะค่ะอาจารย์หนูก็จะมาดูผลเลือดความดัน น้ำตาลเบาหวานดูตับดูไตยอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ผ่าตัดพอมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะชอบแบบหนูคิดว่ามันดูอย่างดีเพราไม่ได้อยากมากค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าทำยังไงให้ร่างกายมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ผลก็คือผ่าตัดเยอะค่ะพระอาจารย์ผ่าไปสิบครั้งแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะมีสิ1เอ3ดสิบสองสิบสามิบสี่หรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องกางวันอยู่กับปัจจุบัน เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วนี้ก็แบบก็หนูก็มองดูค่ะพระอาจารย์มันเป็นแฮปปี้นะคะก็แบบไม่มีความเครียดทํำอะไรก็ดูสาเหตุแล้วก็ดูผลนะคะพระอาจารย์ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหายัางไงก็เลยไม่ได้เครียดอะไรออมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่เอาเรื่องของอื่นค่ะ ไ, ไม่ต้องไปเที่ยวกับร่างกายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลย เหมือนรถยนต์นะค่ะพระอาจารย์อยูก็เลยเอาเป็นเหมือนรถยนต์ที่จิตสติกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออล่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จะไปก็ไม่มีความทุกขกค่ะกับร่างกายที่มีปัญหาครับอ่าดีไม่ควรจะทุกขเพราะร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายก็ยค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุอ่านไว้ที่โกเบคุนจุม กลับในมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูหนูช่วงนี้ก็ฝึกปฏิบัติอาท่องพุโทโธพุโทโธตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงตอนหลับอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์สอนหนูเรื่องดูทุกเขเวทนาเวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะให้ยินดีกับมันก็พยายามอยู่เจ้าค่ะก็ดีดีเจ้าค่ ะ, เ, คะเวลาเกิดเวทนาขึ้นมานี่ก็ ดีใจที่ได้เห็นมันนะค ะ, ะแล้วช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ ะ, ะรู้สึกว่าอยู่กับมันได้เจ้าค่ะอตอนนี้ก็นั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์จากที่ไม่เคยดังได้มาก่อนก็ดีของพวกนี้มันไม่ยากถ้าเราฝึกหันอบนไปเรื่อยๆอเจ้าค่ะจะพยายามตอไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่เรา พุทโทพุโทโธตลอดวันอย่างนี้นะคะ่ะเราจะมีความรู้สึกตัวใช่ไหมเจ้าคะมันจะเหมือนว่าเรามองเห็นตัวเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะก็ใจเราจะอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รอยไปกับความคิดต่างๆเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวาหการกระทาของร่างกายได้ชัดกว่าังไม่ค่อยหลงคลง่อยดื บาทีเราถ้าทําแบบไม่มีสติใจไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เวลาทำอะไรเสร็จไปบางทียังไม่แน่ใจว่าได้ทำแ ล, ล้วหรือยังใช่ไหมเพระเราไม่ได้ดูที่ร่างกายตลอดเวลานะคะหนูจะพยายามปฏิบัติต่อไปเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อืะอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะก็ทําให้มากขึ้นนั่งให้มากขึ้นนั่งให้บ่อยขึ้นเวลาไหนว่างก็นั่งเลยอย่าไปดู ทีวีอยากไปดู Youtube อยากไปดูอะไรพระอาจารย์เจ้าครับปกติหนูดู Youtube นี่คือหนูดู Youtube ฟังพระเทศเจ้าค่ ะ, ะพระอาจารย์ฟังก็พอแล้วฟังพระเทศมากพอแล้วน้องนอ ง, องน่าสมาธิดีกว่าเจ้าค่ะนอจะพยายามค่ะนอกจากว่ามีคำถามเมื่อเข้ามาถามในในใ น, ในนี้ก็ได้ดูมากฟังมากเกินไปมันก็ไม่ไกิประโยชน์อะไรมันต้องปฏิบัติ ฟังเพื่อให้ไปปฏิบัติค <Okay. S 1> ฟังไปเรื่อยๆติดการฟังเลยให้ไม่ปฏิบัตินี้ครับเรียว่าติจติดการฟังไปฟังเพื่อนำอาไปปฏิบัติ <Okay. S 1> ต้องปฏิบัติมากกว่ฟังหนึ่งต่อสิบฟังเพื่โมองต้องปฏิบัติสิบเพวโมงอาจารย์เหมือนตาเห็นเลยเจ้าค่ะอ่าไม่ใช่ตาเห็นนีคือตามหลักของการปฏิบัติ <laughs> การฟังก็สําคัญแต่ฟังมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังซ้ำซากฟังจนหูฉีกแต่แม่อาไปปฏิบัติเกเรมันก็ไม่ตายหลวงตาจะบอกว่าฟังฟังกับปฏิบัตินี่ปฏิบัติต้องมากกว่าฟังหนึ่งต่อสิบฟังชั่วโมงแลไปปฏิบัติสักสิบชั่วโมงหลวงตาจะนึกได้ประชุมพระทุกสี่ห้าวันนั่งอาทิตย์หนึ่งมามาอบรมสักครั้งหนึ่ง แล้วค่อยกลับไปปฏิบัติสักห้าหกวันเจ็ดวันแล้วก็เเริ่มกลับมาฟังเทศใหม่อบรมใหม่ไม่ได้อบรมทุกวันทุกคื okay. นเราจะเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่เจ้าคะ่ะต่อไปจะเน้นปฏิบัติให้มากกว่าการฟังเจ้าคะ่ะเพราะยจะคืบหน้าก้าวหน้าได้จะหลุดพ้นได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การฟังอยูเพียงอย่างเดียวหล <Okay. S 1> ุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร เป็นปฏิบัติเดี๋ยวจะน้องนำเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะโ okay. อเคขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสบายใจคุณอานัน์องตาคุณอานันท์นองจันแบบนมัสการกัมไพจันจะต้องเพีย ดีค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าครับอาจารย์ติดงานอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมแต่ย่าอาทิตยนี้บอกวันพุธห้ามมยุงต้องเคลียร์ต้องเข้ามารายงานตัวค่ะอาจารย์ข้าวภาษานิยมเอยมประวรลนาเหมือนปีที่แล้วค่ะคือศีลแปดจะสักขาวันเหมือนเดิมก่อนครับอาจารย์แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วยมก็นอนที่นอนบางๆมาตลอดตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปีก่อนก็ดี ใช่ค่ะอะไรที่พอทํามาได้ก็ทํามาตลอดเยายพยายามละการประันทะนะความยินดีในการเสรีงกล้าให้น้อยลงใช่ค่ะอาจารย์เพามันเป็นนิมนต์ต่อการปฏิบัติใช่ค่ะอาจารย์จริงยิ่งวันไหนถ้าเราไม่ทนันหรือทานแค่ถึงเที่ยงมันจะดีมากอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือความห่วงเหงาหานอนมันจะน้อยมากๆเลยใช่ครับเก็ดค่านก็น้อยลงด้วยใช่ค่ะอาจารย์วันนี้โยม พาพอดีวันนี้มานอนเป็นเพื่อนยมพอ่อเดี๋ยวให้ยมพ่อกร่าบพระอาจารย์เหมือนนะคะพระอาจารย์เชิญอาจย์นะครผนีน้ยกให้กาอรู้สึกอรก็ไม่รู้อาจ า, ยจ า, กการย์ยังกอมัยมตัภาพแข็งแรงนะก็ต้องต่อสู้กับลุยพาคินสันตอนเรียว่าพิสเอร็จาคินชันซึ่ง อมันก็อยู่กับมันไปมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันไปอยู่กับมันไปก็ถือว่ามันมันมันเป็นครูเป็นครูสอนให้เรารู้ว่าโค้คืออะไรอย่าประหยาดอย่าประหยากให้มันหายก็แล้วกันยิ่งอย่ายิ่งทรมานร์ดใช่ถ้าเจอพระอาจารย์แล้วก็อยากจะเรียนถามผู้อาจารย์เกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นออเมีตอนหนึ่งของ การสนทนาของภาษารีบุตรกับพระที่บวชใหม่พระที่บวชใหม่ถามภาษารีบุตรว่าพวกกับผมเป็นบุนทชนธรรมดาต้องการเป็นพระสมตราบานันต้องปฏิบัติอย่างไรอืภาษารีบุตรก็จะตอบว่าให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกว่าขนาันฮะนหรือเรียกว่า รูปร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเฮ้ยเฮ้ยถ้าไปอยู่แบบ น, นักษณะานี้ก็เคอพยายามที่จะบอกว่าเราในที่นี้คือจิตหรือเปล่คคยาครับท่าอาจารย์นะใช่เราเราเป็นผู้พิจารณานี้ ครับพยายามที่ ก, กายกายกับจิตออกออกจากกันได้ดนการสอนใจว่าอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเรา่นี่ยครับความหลงหล่อให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเพราะใจมันไม่มีลูกหน่าหน้าตามันมันได้ ร, ร่างกายมันเกิดออกมาพร้อมกับร่างกายมันก็เลยที่ว่าตัวเองเป็นร่างกายไปตอ น, ตอ น, ต, อนตอนที่ปฏิสนที่วิญญาณตอนที่มารวมตัวกัน ใจเป็นวิญญาณแล้ก็อยู่กับร่างกายมาตลอดนอคลอดออกมาก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายคเชื่อเป็นเป็นเป็นตัวของตัวมันเองอ่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่มาสั่งการใช้งานใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเป็นผู้แหผู้ผู้ออกคําสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวครับแล้วก็อีกวลีหนึ่งที่ ก็เพร่มพืนสูงเพิ่มพืนสูงที่การเราจะออกไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ถามต่อว่าถ้าพวกผมเป็นสภาพสมราปแล้วต้องการเป็นพระสกิทาคามีต้องปฏิบัติอย่างไรพระสารีบุตรก็ตอบแบบเดิมแป๊ะให้พิจารณารูปเบญนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณหรือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอออร่างกายจะรูป ขั <departed. |mt|> half, right. ala, Gift, ้นห้าขั้นห้าเรียรูปร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในรูปร่างกายลักษณะคําถามและคําตอบต่อไปมันก็จะออกมาคล้ายๆกันอีกถ้าเขาผมเป็นสกิทาคามีแล้วก็ต้องการเป็นพระอนาคามีต้องปฏิบัติอย่างไรพระอรหันต์ก็ตอบแบบเดิีกพอถึงพอเป็นพระอนาคามีต้องการเป็นพระอรหัน ต้องปฏิบัติอย่างไรภาษาญิ่ก็ตอบอย่างเาีวอีกซึ่งโดยสรุปคือว่าคำถามมัคือทุกระดับทุกระดั บ, ดบต้องแยกกายจับจิตออก ก, ออก็ออกออ ก, ออ ก, ออกจากกันให้ได้โดยร่างกายถึงว่าเป็นอะไรเหมือนกับเป็นบ้านที่อาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ จิตเหมือนกับจิตเปนเหมือนกับทุกข์ทั่วใสเขาร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพจิตก็ไปหาที่อยู่ใหม่ก็คือไปไปหาที่เกิดใหม่ซึ่งสิ่งสิ่งเหล่า น, นีา้ตัวนี้มันคงไม่ใช่เพ็นหลักหลักมันอยู่อยู่แค่การพิจารณาตัวขันห้า เพียอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมแต่ที่มันมีเรื่องสัญญุวิชิะการถูกต้องมันไม่ใช่เกี่ยวกับฐานห้าอย่างเดียวแต่มันก็ยังเกี่ยวกับร่างกายอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องพิจารณาร่างกายในมุมมองหนึ่งคือพิจารณาว่ามันไม่สวยงามเพื่อเพื่อกำหนัดเพื่อกำจัดความกําหนัดยินดีในร่างกายของคนอื่นเวลาเราเห็นร่างกายของคนที่สวยงามแล้วก็เกิดความการมาลงขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็น สังโยชน์ที่เราจะต้องละถ้าจะะสังโยชน์นี้ได้ก็ต้องเห็นร่างกายตอนที่มันไม่สวยงามเช่นตอนเป็นซากศพอย่างนี้หรือดูอาการภายในของร่างกายได้ผิวหนังเข้าไปโคงกระโดกเอ้ยปอดเอ้ยตาเอ้ยน้ำไส้เอ้ยอย่างนี้มันถึงจะละการมาราคาได้ อ, อย่งกรณีของการที่เอ พิจารณากรรมกรรมฐานห้าขนผมเล็บปันหนังนั้นเพื่อที่จะให้ดูว่าไม่สวยงามมันสมบูร์แบบร่างกายเป็นเต็มไปด้วของสมบูรณ์แบบหรือเปล่ากรรมฐานเพ<ม>ื่อเพื่อเพื่อคือเป้าหมายคือให้พิจารณาอาการสามสิบสองเวลาบวชเวลาเวลาบวชเวลามันน้อยท่านเลยสอนแค่ห้าอาการก่อนบ<แ>ให้เริ่มตอนที่ยง กรรมฐานห้าแล้วก็ต่อไปที่กรรมฐานสามสิบสองวัตถุประสงค์นีคก็เพื่อที่จะให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นความไม่สวยงามของร่างกายาากเพื่อที่จะได้ไม่เก็ น, นา ก, การมาลง แ, แล้วก็กำนัดยินดีครับแล้วก็พหลังจากนั้นเสร็จก็พิ จ, จะรณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะให้ แยกกายกับจิตให้ใหมีความตรหนักในเรื่องของว่าพราเพราวลีเกี่ยวกับว่ารูปรูปร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปร่างกายร่างกายไม่มีในในเราอันนี grasp, ้ก็เพ <dad> ื <caption ing> ่อพยายามแยกกายกับจิตออกจากกันใช่ไหมครับ ก็อันนั้นก็เป็นขั้งโสดามันแต่ก็ขึ้นจากพันนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องไปแยกกายแล้วรู้แล้วลลว่ากายกับจิตคนละตัวนัว้นแต่ยังไม่รู้ว่าร่างกายนั้นไม่สวยงามต้องไปดูดความไม่สวยงามต่อครับพวกสุภาพกรรมฐานใช่ใช่แล้วก็ตัวสังโยชน์สังโยชน์เกี่ยวกับที่ อ, อละกามราคะ อ, อ, อพอเข้าใจละ ร, รูปราคะ แล้วคยกันกับ อ, อารูปราคะนี่คำถามป่ะอันนี้รูปปัจจานกับรูปปัจจานความยินดีในรูปปัจจานกับรูปปัจจานอันนี้ก็ต้องละครับเพราะว่ามันเป็นตายรักอันรูปปัจจานกับรูปปัจจานมันก็เป็นตายรักถ้าไปยินยินดีกับมันเวลามันเสื่อมมันก็จะทุกข์ได้คี้คําถามมันก็คือต่อไปว่าเออมี มีอยู่ตอนหนึ่งที่มีการเขียนเขียนไว้ว่าการที่จะบรรลุความเป็นพระอาหารหันต์นั้นแค่ประสมวิชาเนี่ยกสามารถที่จะบรรลุความเป็นพระอาหารหันต์ได้ซึ่งมันก็คําถามก็คือว่าอย่างรูปประชานกับอรูปประชานเนี่ยมันก็เป็นมันจะต้องถึงขั้น ท่านจะตุจะตุตชาหรือเปล่าพอาจารย์ก็นคนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นมันจิตยังไม่มีกำลังที่จะปล่อยซึ่งแล้วก็มีเสียอยู่เร่มหนึ่งเรื่อง่ของปุะชาวิสัชนา ท, ที่มีประเด็นว่าใครเป็นคนจ้งเออ หลปู่มั่นหรือว่าคนหญิงใหญ่ตอนั้นก็เพราะว่าคนหญิงใหญ่ที่มีการกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้บรรลุถึงขั้นรูปปัจจานหรือว่าอารูปปัจจานก็จะไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติจนถึงขั้นพระอนาคามีหรือว่าพระอรหัน ในใช่ไหมแต่คำตอบก็ตอบมารลกาสารว่ารูปประชาญเ อ, าอ่อไม่อ อ, อรูปราคะอารูปราคะไม่ได้หมายเพียงถึงอรูปประชาญเพียงอย่างเดียวหมายถึงที่มั น, มนไม่เป็นรูปอรูปอรูปก็คือน่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขามญญาหรือป่าพระอจย์ เทาที่เราเข้าใจมันหมายถึงอรูปฌปานสี่ไม่ได้เกี่ยวกับอนะไรนรูปฌานสี่อรูปฌานสี่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดีถ้าอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าไปติดรูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปภปพ ถ้ายินดีในอรู ป, ปรชายก็จะไปเกิดในอรูปภปพยังไม่ถึงแม้จะพ้นจากการมาพบไปแล้วแต่ก็ยังตติดอยู่ที่รูปภพแล้วอรูปภพอยู่ครับวันนี้ตัวที่วลีที่ถามที่เจต้ตตอจะออกมาจะช่วว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นจับกิเลสได้ก็คือราคะ ละละละค่าโทรสะโมหะหรือว่าลูกไปทำแปดละลาบจุดสังเสริญสุขเสริสรสมราบสิ่งจุนมิจฉาทุกจะสิ้นหมดเสกิเลสอ่าจิตก็จะเป็นอิสระก็าสามารถเดินทางเข้าสู่พันานได้อย่างรอง่งรู้เพอดรุ่งพอด เออที่ท่านใชเออเแล้วท่านไมช่ทา่นนนทานทา่าท่านไม่ใช่ท่านูา่ใช่ท่านู่ก็ออกมาตอนที่ว่าเออพูดถึงเรื่องการทำวิปันสนาภาวนาแล้วก็เออพิจารนะั้นาเมื่อมันสุขประกบ มันไม่น่าดูยกว่าถ้าเกิดความหน่ายในขันห้าเกิดเกิดความหน่ายในขันห้าเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าโยงโยงมาไปปฏิบัติดีกว่านะมานั่งคุยกันนี้มันก็ไปไม่ถึงต้อง่าไปปฏิบัติครับกเรีกว่านะแล้วปฏิบัติให้ให้เรียนสิบสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไปปฏิบัติก้าวสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่า โอเคนะเป็นร่างสังโยขาไม่ได้ก่อนแล้วค่อยวาดไปได้ไปเรื่อยเรียนจบคัมภีร์แต่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงไหนเลยทีละขั้นทีละตอนคก็พออาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับมรณาแต่โยมรู้มากเพียงแต่ว่าถ้าเราไปทําให้มันเกิดเป็นผลขึ้นมานทำไม่แจ้งครับปฏิบัติเยอะโยมอยากให้พระอาจารย์บอก ยงพ่ออย่างนั้นเหมือนกันว่าจย์ขันตทุระมีวิสตันไปหมดขันตทุระแต่ขานวิปัสสนาทุระทำให้มันปรากฏขึ้นมาทำให้มันแจ้งตามที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาโอเคนะสาธุอรคุันออาจารย์คกนต่อต่อไปที่คุณอาจารย์พรพิราต่ออาจารย์เชิญ กลับนวดสกัดอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคุณลูกกุลกลับนวดสกรดอาจารย์ครับต้องรักษาต่อไปใจเย็นๆกรุ ง, ง, งกรุ ง, ง, งลมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวโนไปใกล้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันมัต่ อ, อตัวมาเป็นสิบๆปีนี่เก่าตัย่างเข้าเดือนที่หกแล้วก็ต้องอยู่กับมันนะครับออยู่มาแล้วค่ะครับ อยู่ให้เป็นสุขนะคไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นฮะเขายินดีเขาเขได้ทําบุญแลอวเนี่ยเป็นพวงอยู่ว่าป่วยคนหนนี่ทั้งบ้านดร้อนไป็ห่วช่วยกันต่างปัดกันป่วยปันช่วยกันคนไม่ป่วยก็ช่วยคนป่วยคนป่วยก็ให้เขาแบบไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นภาระมันเป็นเรื่องความอยู่ร่วมกันทุกคนมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องดูแลกันไปได้ทาบุญหรือว่าได้โอกกาสได้ทําบุญ มันช่วยดูแลได้ปฏิบัติธรรมในสภาพของความเป็นจริงค่ะก็เห็นัจจะทำจริงจทำใช่ไหมใช่มันก็ยอมคำปฏตัวเราต่อไปเราก็อาจจะต้องเป็นเหมือนเขาก็แค่ขอสวดว่าอย่เป็นเลยค่ะขอไม่ได้คอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นหรือเปล่าแล้ขอแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้พิจารณาจริงการพิจารณาพิจารณาแล้วต้องไม่ขอหรอกว่ามันต้องเป็น มันต้องเกิดแน่ๆต้องเกิดแน่ๆมากหรือน้อยเท่านึงนะไม่มีคนไปทาใจสบายใจสามารถอยู่อย่างสบายได้ครับขอบคุณเจ้าแม่ใจกัางแยกแยกกายแยกจิตนะคะจิตสบายก็กายก็ช่าไปเรืยใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เจ็บไข้ไ่ได้ป่วยไปกับร่างกายงั้นใจไม่ต้องไปทุกข์ใจอยู่ครับสบาย มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องปฏิบัติให้มากๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะต้องได้บุเบิลคางถ้าได้บุเบิลคางแล้วก็ปล่อยได้วางได้โอเคนะค่ะบักกคลับไปที่คุณวิลาพรเจ้งกล่าวจตุสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมื่อสักครู่นี้ลูกสาวกับหลานมานั่งรอจะกราบพระอาจารย์แต่เขาง่วงนอนไปนอนแล้วเจ้าค่ะเอ่าไม่เป็นไรค่ะโยมากราบอย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟังทำก็ยังดีใช่ค่ะค่ะเล้วก็มานั่งงูไหว้พระอาจารย์อยู่ทั้งว่าเขาก็วิ่งไปแล้วเจ้าค่ะค่ะก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ทุกวันนี้ก็เวลาลืมตาก็ให้มองทุกอย่างเป็นใจรักเท่าน้นค่ะถูกต้องค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรเป็นของเรา ใช่ค่ะนำมาเตาเปล่าๆเดี๋ยวเราก็ไปเตปาเปล่าๆใช่ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณในคําสั่ง ส, งนสำนำอนพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมค่ะสาธุพระอาจารย์บ่ายดีคุณซันนี่แบงค์เข้าเชิญคุณซันนี่กลับน้ำมัตสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมเหมือนเดิมยังไม่มีคําถามค่ะโอเคอยังไม่ได้คุณสภาสตราเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เท็กซัสอยู่กับ กลับนะมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกอตอนนี้ลูกกลับมาอยู่เท็กซัสเจ้าค่ะที่หายไปหลายอาทิตย์ไปอโคโลราโดไปดูแลคุณพ่อสามีเจ้าค่ะอืมไม่ไม่สบายเข้าไอซูก็เลยไปดูแลก็คุณพ่อก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นบ้างแล้วเจ้าค่ะก็ะเลยก็เลยกลับมาเจ้าค่ะตอนตอนนั้นบอกไปอยู่ท่านอยู่ที่อินเดโฮหรือไวโอมิงไม่ใช่ เอ่อได้ยิน<อ>ลูกไหมเจ้าคะเสียงหัดการหายเพราะตอนนี้ได้ยินแล้วขอบคุณนะคะพราะวันนี้ลูกมีคําถามมากเลยเจ้าค่ะอ้าม า, มามอะไรงั้นขอขอรบกวนยา่าที่รำนะเจ้าคะถ้าถ้าแบบหนึ่งเพราะว่าในช่วงเวลาสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกคิดว่าถ้าไม่ได้การปฏิบัติของพระอาจารย์ลูกคิดว่าก็เป็นเรื่องยากที่ลูกจะรับอะไรหลายๆอย่างได้อ่ะเจ้าค่ะ ก็ mm hmm. เรื่องแรกก็คือที่ลูกเคยบอกพายจาย์ว่าลูกอาจจะกลับเมืองไทยเพื่อที่จะต้องไปทำงานเพราะว่าคือคือเออลูกรอพอดีมีคดีหนึ่งที่มีเกี่ยวพันกับทางสารนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ทางสารเขาใช้เวลาประมาณเกือบสิบปีในการพิพาคก็เลยทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นจ น, จนเลยจนเลยกลายเป็นหลายล้า น, ล, านล้านนะเจ้าค่ะลูกก็เลยต้องกลับไปทางาน นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือลูกไปอดูแลคุณพ่อสามีก็ทําให้ลูกได้เห็นถึงความเป็นจริงของการชะล่าภาพแล้วก็การเตรียมตัวตายก็ทําให้ได้ปงมากขึ้นและเรื่องที่สามก็คือขนาดที่ดูแลคุณพ่อสามีนั้นก็ซึ่งทราบว่าเราเดินในทางธรรมเราปฏิบัติอยู่ที่นี่มากเกินไปก็เลยทําให้หลายๆอย่างเกิดการอาจจะ อาจจะคนละทางกับสามีเจ้าค่ะก็เลยก็เลยอาจจะต้องมีการแยกกันนะเจ้าค่ะก็เลยสามเรื่องเข้ามาทีเดียวต้เดี๋ไปตรวจสอบรันทุกอย่างว<ม>่าอยู่ที่ น, นี้จะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนขณะที่เกิดเรื่องหลายๆอย่าง่ะเจ้าค่ะลูกก็เหมือนกับพระอาจารย์อยู่ อยู่บนอยู่บนไหลของลูกต์อยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยนะคะคือคําสอนเข้ามาตลอดแล้วก็แล้วก็ทําให้ลูกถือปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างด้วยด้วยคิดว่าด้วยด้วยด้วยด้วยฐานะและบทบาทที่เราเราทำอมาเจ้าค่ะเป็นลูกสะใภ้ก็ทําเป็นภรรยาก็ทําอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็ก็คิดว่าเราถึงทางทางหนึ่งแล้วที่เราอาจจะต้อง ลูกทิ้งทางธรรมไม่ได้เอเจ้าค่ะอืมลูกทิ้งทางธรรมไม่ได้ลูกก็เลยตัดสินใจที่จะเดินต่อทางธรรมโดยการที่เราอาจจะจะต้องจบทางเดินกันตรงนี้อ่ะเจ้าค่ะก็ะดีจะได้ไปบวชได้ต่อไปออพระพุทธเจา้าก็ลงไปพระพุทธเจา้าก็สละทุกอย่างเพื่อไปเพื่อไปบวชไปทางธรรมยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ที่เสียหายหรื น่าอายแต่อย่างไรไม่ไม่น่าจะเป็นทุกข์กับมันนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาการพัดภาาจากการนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พัดภาาเพื่อให้ได้ประโยชน์นี่มันถือว่าเป็นเรื่องดีพัดภาเพื่อที่เราจะได้พัฒนาจิตใจเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นดีกว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็จมปักลงไปสู่ที่ต่ำเดี๋วค่ะลูกคิดว่าถ้าลูกยังอยู่กับเขาลูกคงให้ความสุขกับเขา ในลักษณะของทั่วไปอะเจ้าค่ะไม่ได้ลูกก็เลยคิดว่าลูกก็ควรจะเคารพในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ในสิ่งที่เขาอยู่ในโลกใบ น, นี้ลูกก็ไม่อยากจะทำให้เขาต้องมาอยู่กับเราเพราะว่าเขาไม่ได้สิ่งที่ที่ได้ทำตามทางโลกอะเจ้าค่ะอยากหลบเราไม่สามารถทำหน้าที่ดีได้แล้ว แล้วก็ลูกไม่สามารถจะมีครอบครัวได้เจ้าหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะไปรับรับเด็กมาเลี้ยงหรืออะไรได้เพราะลูกเห็นทุกข์ก็เจ้าค่ะอลูกก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาแบบแบบต่อรองกันได้เลยเกี่ยวกับการไปรับเด็กมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเจ้าค่ะลูกบอกลูกทําไม่ได้เพราะว่าแค่นี้ทุกมันก็อยู่เต็มบ่าทละมันเยอะแล้วจะไปเอาเด็กมาอีกมันก็ทุกข์ว่าเจ้าค่ะก็เลยทําให้เราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ ก็เลยต้องอาจจะต้องแบบไปอะเจ้าค่ะที่นี้เจ้าค่ะที่นี้ลูกอยากจะเอ่อเอ่อขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคือถามว่าลูกเจ็บไหมมันเจ็บอ่ะนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันเร็วมากไปถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเข้ามาภายในเดือนเนี้ยค่ะมันมันเข้ามาเยอะมากมันทุกไหมมันทุกแต่ถามว่าลูกไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเพราะมันจะ เหมือนมันจะทุกข์ไงเจ้าค่ะแต่มันก็เหมือนกับเหมือนกับมันจะไม่ทุกข์มันก็เลยทำให้เราไม่รู้ตัวว่าตกลงแบบคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบบางทีก็ปุ๊บแล้วบางทีมันก็ปั๊บอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยแบบแต่แต่ลูกเลือกทางทำมันก็เลยทำให้มันมีความศรัทธามากอะเจ้าค่ะลูกไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันทำให้ลูกปุ๊บมันคือสติหรือมันคือปัญญาหรืออะไรไม่รู้เทียงแต่ว่ามันไม่ ถ้าเป็นก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องกิเลสการทำมามันยังต่อสู้กันอยู่บางช่วงกิเลสมันแรงกว่ามันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาพอธรรมะเรามีกําลังมากกว่าใจก็สงบนงแบางทีมันยังมีอะไรอาวรยังมีความอยากลึกๆอยู่ภายในใจอยู่แต่ในทางหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นปายรักมันเป็นทุกข์มัน แต่ยังไม่เห็นตลอดเวลาบางทีมันเผลอเอเผลอสติปับกิเลสมันก็มีช่องแวบขึ้นมาได้ก็ไม่เป็นไรพอมันแวบขึ้นมาก็จัดการเอาตายแล้วกลับมาจัดการกับมันต่ออือมันคืออย่างนี้นี่เองเพราะว่าถือทะลุกงงอ่ะเจ้าค่ะคืองงกับงงว่าเอ๊ะทาไมนะทําไมเรามันทุกข์นะมันทุกข์แล้วมันก็มันแล้วมันก็หายมันทุกข์แล้วมันก็หายมันเหมือนกับแบบ มันเหมือนกับสซเวียที่เปิดปิดเปิดปิ ด, ปดอยู่ตลอดเจ้าค่ะแล้วลูกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมคือทุกคนก็ถามว่าแล้วคือญาติอะคะ่ะพี่สาวก็ถามแล้วแล้ว เ, เป็นยังไงก็บอกก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันคือคื อ, คอไม่เข้าใจตัวเองว่าตกลงเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เพราะว่าพอเวามันจะทุกข์ปุ๊บเราเห็นทุกข์มันก็ดีขึ้นอนะเจ้าค่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยยังงงว่าเอา้าแล้วตกลงเนี่ยเราต้องทุกข์ไหมเนี่ยหรืออะไรมันก็เลย เลยงงๆกับตัวเองอ่ะก็แสดงว่าเรายังอยากอืก็แปลว่าเหมือนกับว่าเรายังอยากตอนนี้อยู่แบบเดิมอยู่ยังอยากอยู่แบบเดิมอยู่ก็เหมือนว่าขนาดเนี้ยของลูกคืออย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือว่ายังสองขิตสองใจอยู่ทำกิเลสทำมันตีกันใช่ไหมเจ้าคะเหมือนกันตอนที่ตัดสินใจอยบวชล้วก็ยังสองขิตสองใจอยู่นะย อย่างนักทั้งโลกเอเสียแต่อยากไปทางธรรมแต่กิเลสมันพยายามดึงเขาไว้จนในที่สุดมันพอตัดสินใจได้ต้องไปทางนี้มันก็เลยโล่งเลยพอตัดสินใจจะบวชได้ป่ะมันก็โล่งเลยอแต่ก็ทรมานหลายวันงินสู้มันมันไม่ยอมไปมันไม่ยอมมันไม่ยอมเข้ากรงจะจะให้เจ้าข่มัน มันเป็นอะไรที่มันทรมานมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันกําลังแบบยื้อกันอยู่มากเลยว่าจะยังไงแต่ว่าด้วยการที่ที่ลูกได้มีพผ้าจารย์อยู่ตลอดคือคือลูกเราลึกถึงอยู่ตลอดแล้วก็เลยทําให้ลูกแบบมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องเดินหน้าเราต้องเดินหน้าพอได้แล้วพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับพยายามดันแบบมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรทักอย่างที่จะดันให้เราไป อย่าพระเจา้าพอได้ถาวว่ามีลูกปั๊บก็ไปเลยอยู่ไม่ได้นะอยู่ต่อไปก็อาจจะไปไม่ได้นะอยอางเราก็ต้องคิดดูว่ามันมีอะไรที่จะผลักดันให้เราไปรู้ค่ะรูก็เลยเจอแบบทุกแบบสาหัสแบบสามเรื่องติดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะก็เลยแบบภายในประมาณเดือนเดียวมันก็เลยเหมือนจะคําตอบว่าแล้วเราจะไปเอาอะไรกันอีกอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นอะไรก็แบบเรารีบไปดีกว่าอย่าอย่าอยู่เพื่อเพื่อ เพื่ออย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องตัดสินใจลองให้มันเด็ดขาดไปเลยเจ้าค่ะแต่มันก็ยากมากเจ้าค่ะมันเหมือนมันทุกข์ไหมแต่รู้สึกว่าน่าพี่เสียได้น้องอยู่ก็เลยแต่แมันจะเหมือนแบบว่ามันเหมือนจะมันมีมันมีความหนักน้ำหนักไม่เท่ากันอ่ะเจ้าค่ะมันเห็นแลเจ้าค่ะว่าน้ำหนักมันมันยังไม่เท่ากันแต่ว่าจะให้มันขาดมันยากมากมันยากแต่ว่าน้ำหนักมันยังไม่เท่ากันเจ้าค่ะ เล้วค่ะลูกเห็นทุกข์แต่ลูกเห็นทุกข์แล้วทุกข์รู้สึกว่าการที่เราเตรียมตัวเห็นตายรักมาตลอดมันทําให้เราเหมือนกับว่าทุกข์มันเบาเบากว่าที่มันควรจะเป็นนะเจ้าค่ะคือมันเหมือนมันมีอะไรที่มารองรับทําให้เรารู้สึกแบบเออแทนที่มันจะหนักว่าเนี้ยแต่เราก็ก็ผ่านมันไปได้อ่ะเจ้าค่ะก็นํำมายามวิจารณ์ระหว่างสองทางนี้พิจารณาว่าทางหนึ่งมันเป็นทุกอีกทางนึงไปเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ มราเห็นชัดเจนในอย่างถ้าเห็นชัดเจนมันก็จะตัดสินตัดสินใจเรื่องได้เจค่ะวีนนี้ลูกก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไทยแล้วก็จะทํางานสักระยะหนึ่งเพราะว่าลูกยังต้องใช้นีดที่ศาลตัดสินแต่ลูกแต่เขาก็สามีเขาก็ยินดีที่จะช่วยเพราะเขาก็อยากจะให้ลูกได้เป็นอิสระเพราะเขารู้ว่าลูกเขาเห็นลูกปฏิบัติทางนี้เขาก็อยากส่ง เขาก็จะช่วยเจ้าค่ะแล้วลูกคิดว่าลูกอาจจะทํางานสักระยะหนึ่งแต่ว hmm. <laughs> ่าไม่รู้ไม่อยากให้นานมากเพื่อให้คุณพ่อได้เห็นว่าลูกได้ทํางานแล้วถ้าญาติที่ทท่านไหนหรือใครที่สามารถจะแนะนําสถานที่ที่สามารถบวชได้ก็อยากมากจ้าค่ะใจอยากใจอยากแบบอยากบวชแต่ลูกคงต้องคยกับคุณหมอวาสนาดูเลยคุณมอวาสนาแกรู้สึกจะรู้สํานัก หลายสํานักด้วยกันาต่ลูกกลัวอย่างเดียวเจ้าคะ่ะที่ว่าแบบคือลูกลูกติดกับการปฏิบัติเพราะว่าการที่ลูกอยู่เท็กซัสเนี่ยลูกอยู่แต่การนั่งสมาธิการเดินแล้วก็อะไรแล้วลูกเห็นผลจากตรงนี้ว่าพอเราไปเจอสภาพจริงแล้วเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ทางเนี้ยเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นลูกลูกชอบกันที่อยู่กับการปฏิบัติแบบเนี้ยมากกว่าที่จะคุยหรือสังคมกับ กับสังคมทั้งวัดอะเจ้าค่ะรูปไม่ถนัดแบบนั้นเลยก็ต้องไปเราลองลองดูสถานที่ต่างๆดูเมื่อก่ับเราเราก็มีเราก็คิดแบบนี้เราถึงเลือกในในที่สุดเราโชคดีไปได้วัดหนวงตาวัดแรกเลยก็ถูกใจเราไม่ให้พระคุยกันไม่สนทนาให้คุกคีกันให้ปฏิบัติกันทุกคนมันก็มีมีวัดสายวัดป่าสายหลวงตามหาโบนี้ อาจารย์พาฒนาแกไปสำรวจมาหลายวันละลองขอข้อมูลจากแกดูก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าลูกคิดว่าการไปกลับไปทำงาน<ม>สักระยะหนึ่งแล้วลูกก็จะเซอร์เวหาวัดเจ้าค่ะถ้าหาวัดที่ถ้าถ้าหาไม่เจอลูกก็คิดว่าลูกก็ก็คงหาที่อยู่แล้วก็ก็ปฏิบัติของรถไปแบบนี้ไปเรื่อๆ<ม>แล้วแต่แล้วแต่บุญวาสนาจารย์ดำเนิน ส่งไปแล้วคะมีเยอะๆเราค้นหาดูเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ที่ที่สอนคาสอนของพระอาจารย์ทําให้ลูกได้ได้รู้สึกไม่ไม่ทุกหน่าจะทุกแต่มันไม่ทุกมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจแต่ที่พระอาจารย์อธิบายลูกลูกละเอียดเจ้าค่ะเพราะว่ามันตีกันกิเลสกระทํำยังสองใจสองใจอยู่เจ้าค่ะ กิเลสกระทำสู้กันอยู่เจ้าค่ะกิเลสก็ทําสู้กันอยู่ใกล้แล้วเนี่ยกล้กับกันทักแล้วลองพิจาร์สักใจรกอยู่บ่อยๆเจ้ค่ะเอาให้เอาให้ชอบก็เหมือนว่ะอาจารย์แบบปุ๊บก่เลยเอาให้ปุ๊กไปเลยมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขเลยเพียงแล้วยังทุกกิเลสเรา่ามันยังมีสุขอยู่ใช่เจ้าค่ะมันไม่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงๆพอเห็นแล้วมันไม่มีมันมีแต่ มันไม่มีอะไรสุขเท่ากับการที่เราได้อยู่เฉยแล้วเรานั่งสมาธิแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมันอยู่ตรงนี้เราสุขด้วยตัวเองดีกว่าไม่อยากอาศัยสุขจากคนอื่นมาทําให้สุขกัะเจ้าค่ะได้มันมันไม่แน่นอนเนี่ยสุกจากคนอื่นมันไม่เที่ยมใช่เจ้าค่ะมันเป็นใจรัดเหมือนเป็นทุกข์เนือเจ้าค่ะสุกกับตัวเองมันมีความมั่นใจและเชื่อใจตัวเองมากกว่าว่าเราสุขอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องอาศัยใครเจ้าค่ะมแต่ว่าเราสามารถ ทำได้ไปตลอดไมื่อต่อตอนนี้ที่เป็นเรื่องอาชีพะไรกได้ก็ไม่มีปัญหามันเป็นแต่ละจานแต่ละจานแต่ละจานจริงๆน่าจะไปได้หล่ะไม่ต้องกังวลถ้ามาเดินขนาดนี้นะสาธุเจ้าค่ะลูกมีพระอาจารย์เจ้าค่ะปทางถนาเจ้าค่ะก็บขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอเคสู้ไม่ถอยเนี่ยลวงตามาบัวท่านบอกให้สู้ไม่ถอยอื ไม่เป็นนักรบ<ก>ไม่ใช่เป็นนักโดดนะทําเป็นนักรบเราต้องสู้กับพี่เลงอี่ยไปดดพี่เลงเจ้าค่ะเจ้าค่ะคิดว่ามันเยอะมันหลายพบหลายชาติแล้วมันต้องอ ม, มันต้องเอาให้ถึงที่สุดเจ้าค่ะมไม่งั้นไม่จบเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าลูกมีบุญวัาสนาจริงลูกคงได้เจอเจอวัดที่สามารถที่จะหรือเจอครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดที่จะทําให้ลูกได้สําเร็จ ถ้าทําได้ก็น่าจะชาติหน้าถึงไม่ก็ชาติหน้าเจ้าลูกไม่ได้ครั้งวันอขอให้ปฏิบัติไปเถอะนีว้ว่าเจ้าค่ะขอเจ้าค่ะอย่างน้อยขอให้ชาติหน้าได้ยังปฏิบัติต่อให้มีให้มีต้องใช้ควาว่าอะไรคะเจ้าคะสันดานติดตัวยังไงก็ให้ติดต่อไปทุกชาติเจ้าค่ะ ก, กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณโอเคสาธุ คนเอกอยากเชียงรายเชญนในคนเอกยังยังติดอยู่กับใครอยู่เ่ายัางติดอยู่กับพ่อโกอย่ครับต้องดูแลเติดอยู่นะสร<ะ>ใจนี่อยากไปอยู่แล้วครับอาจารย์แล้วถ้าไม่ติดก็ออยากไปหยุ่มกันทุกวันเนี่ยครับอาจารย์แต่ก็ติดต้องก็คิดอยู่นะครับอาจารย์ว่าชดใช้ชาตินี้ให้มันหมดหมดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมา ไม่ต้องมามาเจอมาอะไรกันนะครับก็จะพยายามครับอาจารย์ทําอืำก็ติดคือติดบวมก็เรียกบวงรัดคอไว้ติดบ <laughs> ติดหรือว่าคิ ด, ค, ดคิดอีกข้างหนึ่งว่าี่ติดที่ว่าเมื่อก่อนท่านเลี้ยงดูเรามานะพ่อกับแม่เราก็ตอนนี้มาโทษแทนบุญคุณท่านเออถ้าถ้าจะไปเลยก็มันก็มีห่วง <laughs> พระอาจารย์ครับอย่าง <laughs> นี้จะสงใจอย่ ครับสองขีดสองใจอยู่ครับแต่ก็ปฏิบัติอยู่นะครับอา จ, จารย์ก็ก็เตรียมตัวอยู่นะครับเตรียมตัวอยู่นะครับก็แต่ไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าไม่รู้ว่าชีวิตก็สั้นไปทุกทีจะตายรักไปบ่วยๆไปจรตาอย่เหนื่อยๆครับผมเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วก็ตายแล้วอยู่ไปด้วยกันทําไมอยู่ไปก็ตายไม่อยู่ก็ตายใช่ใช่ครับเราตายวันนี้เราตายวันนี้เขาก็อยู่เขาตอบไม่ได้ ใช่ไหมไม่ใช่ว sí ่าทางเราตายแล้วเขต้องตายตามเราที่ไหนเขาก็ไม่ได้ตายตามเราเราไปบวชเขาก็อยู่ของเขาได้งั้นียเป็นปานใช่ไหครับผมก็คิดดึงเงั้ยเนาะดีไม่ดีอาจจะดึงครอบตามลงไปด้วยก็ได้ลุงตาท่านยังดึงพ่อแม่ไปบวชกับท่านได้ตามท่านไปครับเราบัณฑิตจ้างก็ดึงพ่อดึงแม่ไปไปนิพพานได้ ถ้าถ้าเราไม่ไปนิพานเขาก็ไม่มีใครนึ่งเข้าไปต้องคิดอย่างนี้บ้างเลยคิดมุมกลับบ้างรเราไปแบบไม่ได้ทิ้งเขาเราไปเพื่อไปไ ป, ไปหากําลังพอเราได้กําลังแล้วเรากลับมารากเข้าไปกับเราอครับครับเดี๋ยวผมต้องพนจารณาที่าอาจารย์สอนมางครับที่ที่น่กกลับมานะครับอาจารย์ท่านถ้าไม่ได้ทิ้งอ่ะท่านก็เพียงแต่ไปหา หาทางพ้ได้ได้ทางแ้ท่ากนก็นกลับมาดึงคนต่างๆตามท่านไปต่อครับผมครับต้งว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะมีอยู่วันนี้อยู่ตรงนี้ได้ไยครับผมพระพุทธเจ้าเป็นห่วงพ่อแม่เหมือนเราเป็นห่วงพ่อแม่ท่านก็ไม่ไปบวชแล้วนะท่านก็จะอยู่เป็นมหาจากกักรพรรดิไปแล้วก็าตายไปแล้วก็จบครับวุตสาสนาก็ไม่เกิดขึ้นมา พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะมานั่งคุยกันเรื่องกับการปฏิบัติทําได้ใช่ไหมครับใช่งนั้นการทัฒนาจากการนี้มันไม่ได้ไม่ได้เป็นการทอดทิ้งกันหรอกถ้ามันเป็นมันมีภารกิจจําเป็นต้องไปทําก็ไปเหมือนทหารเวลาเกิดสงค ร, รามฐานก็ต้องทิ้งครอบครัวไว้ที่บ้านใช่ไหมต้องออกรบอ่ามันก็เหมือนกันเราก็มีสงครามสงครามภายในใจเราสงครามสู้กับกิเลส ครับผมครับผมน้องชิดนําบ้านําไปที่นีที่เจนาเข้าจระอาารย์ครับกับผมคุณเข้าอาจารย์ครับเมื่อเราตายไปวันนี้เขาก็อยู่ได้ไม่ใช่เลยครับอแจ้งขึ้นมาสว่างขึ้นมาเยอะเลยครับอาจารย์ฟังพระอาจารย์เทพครับครับผมน้องไปปฏิบัติแล้วพระอาจารย์กับผมคุณครับผมครับทุกครับคุณอุษากัรคุณดิษยาอาราเทวะ การนมักการพระอาจารย์ค่ะบามามีอะไรหมให้รู้ก่อ น, นค่ะตอนกาลังนมักการค่ะพระอาจารย์กําลังจะมีคําถามเล็กน้อยค่ะว่ารับฟังนะคะสมมุติว่าตอนวนหนูก็อยู่เพราะว่ารอส่งพ่อกับแม่นี่แหละค่ะพระอาจารย์ก็เวลาที่ กังวลเหมือนกันค่ะว่าเวลาสมมติว่าพ่อกับแม่ตอนที่ตอนที่ไม่สบายมากๆอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ากังวลไม่อยากให้พ่อกับแม่รู้สึกเศร้าช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านการไปอยู่อีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ห้ามไม่ได้ที่ให้คนรอบๆข้างหรือคนมาเยี่ยมรู้สึกแย่แย่หรือรู้สึกเศร้ากับเรื่องการจากกันหรือการตายไปอ่ะค่ะ อืแต่ว่าก็คิดว่าต้องใช้กําลังสติมากกว่าค่ะเพราะจริงๆเราก็ใช้เราก็ต้องรอู้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมันคือการพัดภาดจากกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าต้องเตรียมพยายามเตรียมใจอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วก็พอออกจากสมาธิมาคิดเรื่องนี้มันก็ยังสั่นอยู่ดียกเว้นบางช่วงจริงๆค่ะที่แบบว่าสติแบบ ลงไปหนึ่งถึงที่ว่างมากๆเงี้ยค่ะเราออกมามันถึงจะรู้สึกอกรู้สึกโอเคว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงก็ต้องมันก็ต้องจากค่ะเลยรู้ว่าต้องใช้กำลังสติมากขึ้นกว่าเดิมมากค่ะอาจารย์พยายามฝึกสมาธิให้หบ่อยๆให้จิตสงบให้ว่างให้เย็นให้สบายเราจะรับความจริงได้เพราะว่า เที่ผ่านๆมาค่ะจะเจองานศพญาติหรือว่าการพัดภาพที่เรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก่อนที่จะส่งเข้าเมนเนี่ยเขาก็จะต้องเปิดเปิดฝาลงให้เราดูค่ะพระอาจารย์ชื่อตอนนั้นนไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเพราะว่า ร, รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้วค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่เราหรืออะไรเงี้ยเราจะรับไหวหรือเปล่าแต่พยายามนึกภาพนี้มาเรื่อยๆนะคะก็ซ้อมไว้ก่อนเลยซ้อมไว้ก่อนค่ะ เาไว้แล้วก่อนมันก็จะถ้ามันเฉยตอนตอนซ้ำได้ไปเจอของจริงมันก็เฉยไดค้ค่ะก็จะอยูย่ทีการทำงานบ้า น, นพิจารณาเนืองผู้เจ้าบอกให้น้อพิจารณาเนือ ง, เ ร, องเรากเกิดมแล้วต้องแก่เจ็บตายต้องพัดผ้าจากการเป็นธรรมดาค่ะ <ทำ S 2> บ่อยๆมันลหลายครั้งผู้เจ้าสอนผ้าหนุ่นในพิจารณาความตาย ทุกคํำลมหายใจเข้าอค่ะพระอาจารย์แต่ตอนครั้งที่รู้สึกแย่รู้สึกเสียใจที่สุดก็คือตอนที่สูญเสียคุณลุงไปะค่ะพระอาจารย์ตอนตอนที่เขาเปิดฝาโลงอ่ะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเสียใจเขาเรียก อ, อะไรรู้สึก อ, อรู้สึกผิดนะคะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเราทําดีแล้วยังในการดูแลหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็เอ อ, อย่างที่ล่าสุดที่หมาดเขาตายไปอะค่ะก็จะรู้ตอนที่เขาตายอ่ะรู้สึกดีว่าเขาจะได้ไม่เจ็บอีกแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเราดูแลเขาดีแล้วยังเราระหว่างทางนี่เราติดต่อประสานงานไปดีแล้วยังที่จะทําให้เขาแบบมีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาจากการฝึกเหมือนกันใช่ไหมครว่า มันรู้สึกผิดว่าที่ผ่านมาเราทําดีแล้วยังอะคะ่ะที่ทําให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เกาไปคิดทําไมล่ะมันผ่านไปแล้วคิดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับไปย้อนกลับไปในอดีตได้ที่ไหนหรอกอาจารย์คิดไปให้ทั้คิดพุดโทโธดีกว่าควรจะคิดเรื่องอะไพุโทโธพุโทโธดีกว่า ม, มันผ่านไปแล้วไปคิดให้มันเสียเวลาทําไมคินมาให้กังวลใจทําไม ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะฝึกเรื่องการพัดผ้าลืมให้บ่อยกว่านี้ค่ะอะราทำดีไม่ดีมันถึงเวลามันตายมันก็ต้องตายนะดีไม่ดีก็กย้ำยันมันไม่ได้ความตายึมันถึงเวลาจะตายไม่ทำดีขนาดไหนมันก็ตายอยู่ดีค่ะพะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ อดีตมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันถ้าคิดทําทให้เราทุกข์อย่าไปคิดถึงมันหยุดมันถ้าคิดแลาวไม่ทุกข์คิดได้นะถ้ามันคิดแล้วทุกข์อย่าไปคิดหยุดมันแล้วเราลังสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึก ไ, ไม่รู้สึกตัวขอะอาจาร์ขอพระคุณค่ะถ้าถ้ามีความคิดแบบนี้ผุดที่มาเดี๋ยวจะใช้พุทโธแทนค่ ะ, อะเออคุณแม่มีอะไรไหม มีค่ะอาจารย์คือวันนี้ที่ฟังทำมานะคะแล้วก็จากการที่น้องๆและญาติธรมสนทนายมรู้สึกปิตินะคะอาจารย์ปิติขึ้นมาลึกๆเลยยิ่งที่อาจารย์บอกว่ากว่าอาจารย์จะตัดสินใจว่าไปบวชได้เนี่ยมันทุกข์ไรซึ่งยมก็เข้าใจอารมณ์ของโยมแล้วว่าตอนขึ้นเขารอบที่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกสองจิตสอใจทําไมเราต้องมาอยู่อย่างนี้ทําไมเราไม่กลับไปอยู่ใช้ชีวิตทําความดีไม่ผิดศีล แล้วก็เวียนว่าวตายเกิดแต่วันนี้ยมเข้าใจแล้วว่าอารมณ์นั้นมันเกิดกันดึงกันระหว่างกิเลสกับธรรมะยมเข้าใจในวันนี้อะค่ะ<ม>ก็ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะยมฟังธรรมธรรมนาคุติไม่ทันใช่ไหมคะมเนื่องจากว่าสามีของเพื่อนสนิทยมเสียชีวิตยมต้องขับรถจากนราแวงไปนราธ่วาดร้อยกิโลขับจากนาที่วาสมาแว่งอีกร้อยกิโลและยมต้องมารับจัดดอกไม้ต้นเทียนปรรษาวะไว้อีก ยมต้องมาทําดอกไม้แล้วมันเหนื่อยค่ะจาย์มันเหนื่อยรู้สึกล้ามากแล้วก็นอนกลับมาวันรุ่งขึ้นนี้ต้องส่งงานตอนเที่ยงใช่ไหมคะมันล้าล้าร่างกายแล้วก็โยมก็เลยกลับมานอนตอนค่ำนะะ่ะนอนเอนเอนแล้วอยู่ๆมันนิ่งแล้วอยู่ๆจิตมันรวมเองค่ะจาน ย, ยมเอา้ารวมซะงั้นโดยที่ขณะที่เราไม่ต้องภาวนาเขารวมเฉยเลยค่ะจานมันก็เลยเกิดว่าแต่ไม่ได้หลับนะคะเพราะยมรู้ตัวรู้รู้สึกตัวตอนที่เขารู้สึกวูบเข้าไป เออมันเป็นแบบนี้แสดงว่าในทุกอิริยาบถเราก็สามารถได้ถ้าเราไม่คิดมันใช่ไหมคะอาจารย์ได้โดยเฉพาะถ้าอย่าไปอยากมันถ้าไม่อยากมันมันจะไม่รวมใช่ค่ะโยมก็บอกว่าเอารวมซะงั้นโดยที่เราไม่ได้ภาวนาอะไรเลยในขณะบางทีที่เรานั่งภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่ผิวผิวค่ะอาจารย์แล้เราทําให้ก่อนยังไงถ้าเราไม่ทำมามันก็ไม่รวมแต่อมันมันเลือกเวลารวมของมันมันไม่มันไม่รวมตามเวลาที่เราต้องการให้มันรวม ค่ะรู้สึกว่าแปลกมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะจันปกติ<ม>ยุมยันจะต้องภาวนาก่อนแล้วก็ถึงจะรวมแต่ยูนี่คือแบบนอนด้วยความเหนื่อยอะคะอ่ะจันมันกับสภาพอะช่วงมันหมดมันหมดมั น, มน<ๆ>ไม่รู้จะทําอะไรไม่อยากจะทําอะไรแล้วตอนนั้นอมันไม่ได้จะรวมได้คือทิ้งนอนนอนเอนเอแบบว่าหมดสภาพจริงๆเพราะเหนื่อยจริงๆขับรถไปกลับนะที่ว่าไปกลับนี่คือสองร้อยกิโลอะคะ่ะจันแล้วก็กลับมาจัดงานต้องส่งให้ทัน วันเที่ยงของอีกวันหนึ่งค่ะแล้วก็นั่งร้อยมาลัยนะคะจะไม่ให้ฟุ้งเพราะว่าเร่งงานใช่ไหมอาจารย์โยมต้องดูหยิบกรีบไม้ขึ้นมาเด็ดเสียบเข็มหยิบพยายาอยู่กับมันนะคะแล้วก็พอมาหมดสภาพแต่โยมรู้สึกว่าโอเคถ้าแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเรามีพลังมีกําลังใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ใช่จิตมันก็เหนื่อยมันก็ไม่อยากจะคิดจะปลงมันก็เลยตอนที่พร้อมกับมีสติมันก็เลยโน้ลงไปให้กับเรา ใช่ค่ะโยมสงสัยไงคะว่าเอ้าทาไมกายเราเหนื่อยทํำไมเธอเหนื่อยด้วยเหรอวันที่ก็วันทีเหมือนกับโยมก็ขาตัวเองเหมือนกันว่าเราคุยกับจิตเราด้วยหรือว่า mm hmm. พอพอรวมใช่ไหมคะอาจารย์โยมเอ้ารวมเฉยเลยแล้วก็คราวนี้ก็มันนั่งตอนที่ฟังธรรมอาจารย์โยมเหนื่อยแล้วนะคะตอนปักดอกไม้โยมก็ฟังวิสัชนาแต่ว่ามันไม่ได้ลยโยมก็กลับมาฟังเทบธรรมนักุติใหม่จนเกือบตีหนึ่งะค่ะโยมนั่งฟังไปจน จนจบเพราะว่าชดเชยแต่ว่าธรรมะนกุติวันอาทิตย์มีประโยชน์มากเลยค่ะอาจารย์มันได้รู้สึกว่าอ๋อการปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงอาการอย่อาจารย์เทศแบบนี้อีกค่ะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะอาจารย์แล้วโยมก็ธรรมะอสถใช่ไหมพูดเรื่องธรรมะอุศเอ่อธรรมะนกุติก่อนค่ะใช่แต่เรื่องอะไรที่พูดนี่ยอ๋อเรื่องของธรรมะอุศดใช่ค่ะธรรมะอุศดใช่ค่ะแล้วก็โยมรู้แล้วว่าโยมกําลังฟุ้งอยู่โยมตรงที่ ศ uh, <ส>าสตร์ใจในสามข้อนะคะอโอ้ลักษาใจโยมโอมันใช่ค่ะรู้สึกมันแบบกำลังใจมาเลยค่ะอาจารย์พอจุบธรรมนักุติเสร็จยุงก็มาต่อวิสัชนาธรรมต่อค่ะอาจารย์นั่งฟังไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์รู้สึกว่าอ๋อพอใจเราแกว่งเราทุกข์เรากําลังอยากล้เรากำลังโกรธอ๋อเรา ก, กรํากลังอยากแล้วมันจะเตือนแบบนี้ยค่ะอาจารย์แต่บางทีเราก็เผล่นะคะเผลอเผลอเผลอไปนิดนึงอ้าวกาลังอยากล้ค่ะอาจารย์ แต่ก็มีคนถามโยมนะคะว่าทําไมพี่จะต้องเป็นเหนื่อยทําไมต้องเป็นลำบากทําไมแม่อยู่แค่คิดดีทําดีแล้วก็ไปอยู่บนสวสรรค์ก็พอแล้วโยมก็เออเราจะตอบเขายัางไงนะเอ๊ะเราโลภไปหรือเปล่าแต่โยมว่าโยมโยมโ ย, ยมเลือกแล้วค่ะอาจารย์แต่อาจจะยังไม่ถึงขนาดที่ว่าไปหาวัดอยู่ยังพยายามต้องไปแบบนี้ก่อนค่ะอาจารย์ก็ท้าเขาถามเขาบอกจะคุณยาวเหรียญเงินน้อยาวเหรียญทองเนี่ย ยมยมยมพูดยากค่ะอาจารย์เขาคงจะยากอะที่จะคุยกับคนที่นั่นนะคะแล้วเพราะว่ายมตอนนี้ยมผิดปกติไปแล้วค่ะแม่ยมผิดปกติค่ะอาจารย์สําหรับเพื่อนๆบอกว่าเขานั้นพบปะกันอย่าไปชวนมันเลยมันไปอยู่วัดแล้วประมาณนั้นนะคะอืมดีคนนั้นมีใครมายุ่งกับเราไ่มเพียงแต่ว่ายังไม่มียูนิฟอร์มเท่านั้นนะคะอาจารย์ยมยังอยู่ในฟอร์มไม่ต้องบวใจก็ได้ไม่ําเป็นต้องมีอยู่ในฟอร์ม ใช่ค่ะที่เลสมันไม่มียูนิฟอร์มปฏิบัติทำอะไรต้องมียูนิฟอร์มด้วยใช่ค่ะสาธุค่ะอาจารย์ยมฟังวันนี้ยมยมถ้าเป็นแบันก็คือแฮปปี้เลยค่ะอาจารย์มีความสุขมากจากการฟังมาค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทุกคนก็มุ่งมาในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อภิบาลค่ะคุณมหาพัฒนาเดี๋ยนี้ไปว่าไหนบ้าง แล้วนัมัสการพระอาจารย์จะไปวัดประทุมนะคะอาทิตย์นี้เพราะว่าเป็นวันที่ตรสี่ท่านตั้งธรรมยุทธอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จัดงานแล้วหลวง ป, ปู่บุญมีมาได้พอหลวง ป, ปู่บุญมีมาก็เลยตามไปเลยค่ะก็ได้ฟังหลวงปู่บุญมาทําเพียราโตหลวง ป, ปู่บุญจันทร์แล้วก็หลวง ป, ปู่บุญมีสามลูปเลยค่ะแล้วก็หลวงปู่บุญมีเห็นหน้าบุปชี้ในสังชิกหรือเปล่าก็ <laughs> <laughs> เลยก็เลย arch, arch, arch, กลับพอฟังเสร็จก็กลับมาฮาสุ่มก็เลยในสังชิกบนเสาค่ะอาจารย์ในสังชิกก็ถวายกุศลให้ เลยเพราะว่าเป็นวันที่ตั้งทํำยุทธนิยายใช่ไหมที่เราสีท่านพนวดอะไรเงี้ยพอดีว่าพี่ๆเขาบอกว่าปลูกมากเลยต่างไปก็แต่แต่แต่ว่ารู้สึกว่าทําในสัญชีครา้งนี้ยไม่ได้เดิน เ, นเลยนะคะคือทุกทีในสัญชีนี่จะแบบเดินครึ่งนั่งครึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่ครา้นี้ในสัญชนีนั่งอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์รู้สึกรู้สึกแบบเออแป๊บเดียวก็เข้าตีห้าที่เราตื่นแล้วก็เลยโอเคเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ออกออกมารู้สึกว่า ไม่ซอยกอนในสันชิกอมันจะรู้สึกพอตื่นพอมามันจะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบสว่างเลยลอยๆตอนนี้รู้สึกว่ามันมันแบบมันมันธรรมดานะคะพระอาจารย์ก็สามารถที่จะทํางานอะไรปกติได้เลยแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกดีมันถึง่ารู้สึกดีอะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีเพลียไม่ดมีง่วงอะไรเลยคนะ่ะอาจารย์ดีอ่าจที่เป็นพลังทำก็ไยเนาะรู้สึกได้อล้วบอว่าภูบาอาจารย์ท่านชี้ชี้ก็เลยบอกค่ะเป็นพลังทำเราต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่แบบว่า ค่อยๆทำอ่ะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกไม่ต้องคิดอะไ ร, รก็ทําไปแล้วกแวแว็แล้วพอไปหาวัดแล้วมาปอับชอบแบบพระอาจารย์ก็เลยค่อยๆหาเองไ ด, ได้ด้วยอะไรเงี้ยพระอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็เทศทายกระไรให้กําลังใจอย่าก็เน้น ส, สุดท้ายเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของสติที่อยู่ในปัจจุบันมันจะได้จัดการกิเลสได้ก็แบบพอเข้าใจม า, มากกเรื่อยๆเรื่อยใชอาจารย์ค่ะก็ตั้งใจถามแล้วก็ฝากบอคุณสุภาพจารว่าจริงๆแล้ววัดเมืองไทยเนี่ย มีสถานที่ที่แบบว่าบวชชีได้เยอะนะคะแล้วก็หลวงพ่อเมตตา ม, มากเลยหลวงพ่อหลวงพ่อที่ที่สัมผัสมาเนี่ยคือคือเหมือนบางท่านนอาจจะดูเหมือนดุแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมตตา ม, มากเลยใจชั้นอ่อนแบบคือสัมผัสได้เลยว่าเมตตา ม, มากมาก็เป็นกำลังใจคือสุภาตานนะครับผ่า ม, มีอยู่แล้ว่ยังไงก็บวชได้ก็อยู่วังไทย<ช>เลยก็ทาตอ่อใช้เวลาคนคว้าหน่อยเช้เวลาทดลองหน่อยแต<ช>่ละวัอนอาจจะไม่อาจจะมีดิฟอาจจะไม่ถูกใจ<า>กันเราก็ได้ อาหารที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมสัพะยาอาหารอะไรอย่างเ<ม>งี้ยที่อยู่อากาศอะไรเงี้ยก็ลองไปหาดู<ม>ก็ทําต่อนะพระอาจารย์ก็เดีย<ม>เด๋ยวเดือนหน้าก็เดี๋ยวคุณพ่อก็โอเคแล้วหมอบอกว่าเดินขึ้นมาเหมือนที่ใช้ไม่เหมือนพ้อแนละคือเดินได้คือโอเคแล้วค่ะอาจารย์หายดีแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทําบุญก็ไปหาหลวงพ่อไปพูเรือวพูเรือจะมาหลวงพ่อที่เลยแล้วก็หลวงพ่บ<ม>ุญมีแล้วก็ไปหลวงปู่สามดงอีกเดิมอาหลวงพ่อทําบุญเยอะๆหน่อยโอเค ขอกคุณค่ะพระอาจารย์ไปที่เอคุณนิสาจนนิสาแจ้นมัสการค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ ะ, ะอาจารย์ยังนั่งอยู่นั่งหลยหยชั่วโมงนั่งอยู่กับยังยังนั่งนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเหลือวันค่ะพระอาจารย์ เพราะว่า อ, อีกวันหนึ่งร่างกายมันไม่ยอมค่ะพระอาจารย์ไม่สบายอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยสี่ชั่วโมงก็เลยเป็นนั่งสองนอนสองค่ะพระอาจารย์คือร่างกายมันวันนั้นมันปวดท้องเหมือนกับท้องเสียค่ะพระอาจารย์เพือนมันตามได้ที่ตัดความอยากออกไปข้างนอกได้ก็ถือว่าโอเคก็พยายามนอนพุทโธค่ะพระอาจารย์แต่มันเพียก็เลยรู้ว่ามันมีเคอร์มหลับไปบ้างอะค่ะพระอาจารย์ ก็พยายามค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จากนั้นก็ไม่ทุกข์กลับมาละความเจ็บไข้เริป่วยค่ะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทานยาค่ะก็คิดว่าให้ธรรมะโสค่ะพระอาจารย์ก็ใช้ธรรมะโสดแล้วก็คิดว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็เราก็ดูแลมันอ่ะเราก็ดูแลมันเดี๋ยวมันก็คงดูแลตัวมันเองค่ะพระอาจารย์ให้เวลามันนพึ่งตัวมันเองค่ะ ค่ะพระอาจารย์แล้วพออีกวันหนึ่งก็ดีขึ้นก็นั่งนั่งได้สี่ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็นั่งไปด้วยแล้วก็พุดโทรไปด้วยแล้วก็สมาดนั่งสมาธิไปด้วยค่ะพระอาจารย์ดีค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติต่อไปค่ะพยายามที่จะไม่ให้ย่อหย่อนค่ะพระอาจารย์รักษากราฟให้ stable ไปค่ะดีมากดีมากคระอืค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะ ไปที่วิตร์แลด์คุณทวิสาเป็นยังไงนะคะว่ไาไปสเปนมาเลยค่ะพระอาจารย์พอดีอที่บ้านสา ม, มาีเขาฮอลิเดย์ต้องต้องไปอ่ะค่ะพรอาจารย์ต้องไปเซอร์เท่าไหร่นะรับใช้เขาใช่ค่ะว่าอาจารย์แต่ว่าก็มันก็ไม่ได้มีความสุขค่ะพระอาจารย์มันก็ คือเราเพิดงฝึกสมาธิแล้วไปเที่ยวไม่สุขแบบครับอาจารย์มันมันเหมือนมีความกังวลเราก็อยากทําให้ให้ดีที่สุดแต่ใจเราเรารู้ว่ามันมันมันไม่ใช่แต่เราก็พยายามนะ้วค่ะอาจารย์คือให้ให้มันดีที่สุดทำหน้าที่ทำทำหน้าที่ของเราไปค่ะอาจารย์ค่ะอก็เขาคงยังรู้สึกว่ามันไม่ทําหน้าที่เหมือนเมื่อก่อนนี่นะเขาทราบค่ะ เขาก็ทราบค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนฟังที่คุณสุภาพาโต้พูดยมยมว่าสักวันหนึ่งยอมอาจจะไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแต่ว่าโเรานะทำบ้าทำให้บ้านแตกสลาดขาดไม่อ่ะค่ะพระอาจารย์คือแต่ว่าแต่ว่ายมยมก็มีมีแบบขั้นตอนอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าอ่ายมจะ ประมาณไหนคือช่วงไหนได้อะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันถึงคือโยมก็วางวางแผนไว้อยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าคุยเคยคุยกันบ้างอะไรเนี้ยคะ่ะเขาก็ถึงณนะถ้าถึงจุดเวลานั้นนึงหนึ่งโยมอาจจะต้องหาผู้บริการเซอร์วิสแทน <laughs> มาตัวแทนเลย <laughs> ใช่ค่ะพระอาจารย์ถ้าได้ถ้าได้ถึงขนาดท่านแบบต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วจริงๆก็คือ <c oughs> คือน่าจะน่ามีน้องสาวว่าน้องสาวมาแทนก็ได้เคยคุยไว้ค่ะว่าจารย์แต่เขาบอกว่าเอา้าแล้วคุณมาแต่งงานกับเราทําไมเราไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ฉันพูดเผื่อไว้แต่คือคืออย่างเชิองอยู่ก่อนแค่เฉยๆเพราจารย์ื่อถึงเวลาแล้วค่อยค่อยคิดค่อยคิดหาแบบวิธีใหม <c> ่ <oughs> ยมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายมจะถึงขั้นแบบ ละไปได้จริงๆอาจจะเหมือนเหมือ น, เ ห, อนเหมือนพระอาจารย์หรือว่ามันสองจิตสองใจหรือว่ายังไงแต่ถ้าเกิดมันไม่มีภาระอะไรแล้วหรือว่าคือตามที่คิดไว้ก็รู้ว่าความแน่นอนไม่แน่นอนแต่ก็ยังก็เตรียมแผนไว้อยู่ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะก็เหมือนกับที่ที่เลิกทํางานเลิกทําร้านนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เพื่อนหลายคนก็บอกอมไม่ต้องทําก็ได้นี่ก็หาพนักงานมาทําแทนก็ได้นี่ ยังก็ยังได้รับไรายได้อะไรอย่างนี้อยู่แต่โยมพี่จะพิจารณาของโยมเรื่องนี้มานานแล้วค่ะว่าถึงถึงโยมจะหาพนักงานมาทําหรืออะไรเงี้ยโยมก็ต้องไปคิดอยู่ดีก็ ต, ต้องดูแลอยู่ดีมันยังต้องยุ่งอยู่ดีใช่ค่ะพระอาจารย์มัน ก, กมน็มันก็ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยบอกว่าโอ้เหมือนที่พระอาจารย์บอกถ้ายังพอมี ไม่ได้ใช้อะไรมากเราก็น่าจะอยู่ได้น่อะไรเงี้ยเด้งก็เลยก็เลยตัดสินใจก็คือคิดมาแบบเนี้ยค่ะบางครั้งแต่หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจทางบ้านบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่หาพนักงานอะไรเงี้ยลงมันก็ต้องดูแลมันก็ต้องคิดเรายิ่งเลือกกับคนด้วยมันก็จะวุ่นวายไปมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็วันนี้ก็ได้ได้ข้อ ไม่มีคำถามแต่ได้ข้อคิดแล้วก็มีอะไรที่จะทําต่อแล้วก็พยายามให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์ถ้าทำมากขึ้นมากขึ้นธรรมะเป็นกําลังมากขึ้นเดี๋ยวมันก็มีทางไปของมันเองไม่ต้องกลัวค่ะยมคิดว่าอย่างนั้นคะ่ะตอนนี้พยายามเหมือนที่พระอาจารย์บอกทําเหตุให้มันได้มากๆา ก, ก่อนค่ะเดี๋ยวมันมีมันมีทางไปเองธรรมะจะพาเราไปอ พระอาายมก็เชื่ออย่างงั้นตอนนี้ก็พยายามดึงตัวเองให้เข้าอยู่ในอยู่ในอยู่ในแนวก่อนอยู่ในเส้นทางพยายามให้ให้ขยันหมัอนเพียรทาเหมือนที่พระอาจารย์บอกฟังหนึ่งแต่ปฏิบัติสิบให้ได้ไม่เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวทำมากจะจัดสรรให้เราเองทำมาจัดสรริงค่ะพระอาจารย์ยมเชื่ออย่างนั้นมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆอยู่ที่ บ้านเราทำมากน้อยแค่ไหนโยมก็จะพยายามค่ะรดพยายามให้มากขึ้นค่ะมากด่าทุกค่ะไม่มีไรค่ะขอบพระคุณค่ะคุณไปยามาติดต่อกันอยู่เปล่าติดต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะน้องน้องเขารู้สึกว่า WhatsApp ของเขาโดนแฮกก็เลยตอนนี้ค่ะก็ติดต่อไม่ได้มาห้าวันแล้วน้องก็เขียนมานั้นบอกว่าในในอีกอันหนึ่งอะค่ะบอกว่าโดนแฮก อย่าตอบคําถามอย่าอะไรนะถ้ามีวอตส์อัพเข้ามายงก็เลยงดเลยค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอให้น้องเขาติดต่อมาเองอีกรอบนึงค่ะแลจวทีนีเขาก็เข้ามาเข้ามาใช่วงนีใช่ค่ะยงกลับไปย้อนหลังฟัง mm hmm. <c oughs> แล้วทีนี้ยงก็แล้วหลังจากนะั้นน้องบอกว่าที่วอต t ์อัพโดนแฮกเขาติดต่อมาอีกทางนึ่งก็ซึ่งเป็นหมายเลขธรรมดาค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่า mm hmm. มันมันเป okay, right. so okay. okay. okay. ็นอะไรก็ไม่รู้ยงยงก็บอกว่าไม่ต้องสอบนะถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะติดหุนก็แับโอเครอก่อนว่าเป็นยังไงค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้าจ้าตุ๊กคุณแนนอุดร่านี่วันนี้ฟังอย่างเดียวไม่ถามไม่ปฏิบัติไม่อะไรเลย แบบน้องกัลนวัตการคาะอาจารย์ปฏ so ิบัติทุกเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อ่าไม่มีคำถามแล้วค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะคุณมาลีพุทธากาศพ่อธรมอ่ะก็ค่ะก็ยังปฏิบัติเองก็ดีทำงานไปด้วยปฏิบัติด้วยก็จะเก่งนะทำได้ยั้งสองอย่าง ก็คือก็ลดเวลางานลงอ่ะคะหลวงไม่ได้ไม่ได้ทุ่มเหมือนเมื่อก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็มาเน้นปฏิบัติแล้วก็ช่วงนี้ก็พิจารณากายแล้วของจิตสงบดีมากๆน้ำหนักในการในความสงบในสมาธิมันมันเหงื่อมันง่ายเลยอค่ะเพราะมัน <c oughs> มาแบบโอ้โหไม่มันนิ่งมันมันเดียว <c oughs> ความสงบจากปัญญานี่มันมันมันหนักแน่นกว่าใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมันไม่มีเบื่อเลยอะค่ะหลวงพ่อคือมันอยากอยากจับปฏิบัติพิจารณาทีไรใจก็จะเนิ่งทันทีเลยใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็ได้พอยิ่งพิจารณาเห็นเห็นตัวเราที่มันไม่ใช่กายอะค่ะพอมันมันมีความรู้สึกอย่างว่าคืนนี้นานคือนั่งพิจารนาน สงบแต่ว่ามันมีความมันเหมือนสลดอยู่ในใจอะว่าเราเราไม่มีอะไรเลยมันเห็นมันเห็นแบบตรงโน้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะพ่อมันรู้สึกรู้สึกสลดใจมันรู้สึกบอกไม่โถูค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกนะคะมันเหมือนว่าเออเราเรามาเห็นเห็นความจริงตรงเนี้ยว่าเออเรา เราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะติดเราไปได้เลยพอถึงเวลากายเนี่ยมันทังไปอ่ะเหมือนเหมือนกับถ่ายหนักถ่ายเบาอะ่ะมันอยู่ในร่างกายเราเมื่อถึงเวลาเราจะมาอั้นมากั้นมันก็ไม่ได้มันก็ต้องออกจากร่างกายอย่างนี้ยขะหลวงพพิจารณาแล้วโอ้โหจิตมันน้าหนักของความสงบมันมันดีมากๆแล้วมันก็มีมีความสุขต ร, ตรงตรงที่มันสงบตรงเนี้ค่ะหลวงพแล้ ว, แ ล, วแล้วพอออก พอเรามาทําชีวิตประจําวันอย่างนี้ยค่ะหรือพ่ามันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตื่นเต้นไปกับหลายๆสิ่งได้อย่างมันเห่ือนมันมันทําให้เรามองเห็นความความธรรมดาที่มันที่มันแบบเออเราไม่เคยเห็นไม่เคยดูอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อใจมันมันจะใจมันจะแบบเหมือนมันคือมันเอเห็นอะไรก็เออธรรมดาธรรมดาเหมือนเราปล่อยละวางได้อย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อใจใจมันดีขึ้นน่ะคะหลวงพ่อ ไม่ยินดีนะกับอะไรใช่ใช่ค่ะหลวงพ่ออย่างมีวันนี้เราเรียกไปว่าเออจะมีงานใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยพ่อหนูก็ใจมันใจมันคือเป็นเส้นตรงเลยไม่ได้ยินดียินร้ายว่าเขาจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือทําทําแค่ตามหน้าที่ทําประมาณอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันหนูรู้สึกว่ามันคือถ้าใครมาถึงหนูหรับแบบแบบหนูอะถ้าใครมาถึงตรงเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่า มันมันไม่ควรที่จะเลือกทางอื่นแล้วค่ะหลวงพ่อมันควรที่จะเดิน <ừ> um. เดินไปให้ให้ให้เท่าที่กําลังเราจะเดินให้ได้เยอะที่สุดนะคะหลวงพ่อ <ừ> um. มีมีความสุขมีความสงบแล้วเห็นอะไรก็เหมือนเราเฉยระวางเราละได้ะค่ะหลวงพ่อ <ừ> um. เห็นอะไรก็เหมือ น, นเหมือนเป็นธรรมดาไงค่ะหลวงพ่อจิตจิตสงบดีมากๆค่ะหลวงพ่ออืมมาลองหาข้อสอบทำหนึ่งไปเจอของจริงหนึ่ง ก็น่าจะใกล้แล้วค่ะหลวงพ่อครับ mm hmm. mm hmm. มีมีมีเกือบจะทุกวันนะคะหลวงพ่อเพียนแต่ว่าเหมือนใจอะ่ะมันมันก็ปล่อยอ่ะคะ่ะหลวงพ่อมันพอเราไปนึกถึงสิ่งที่มันมาทดสอบอะ่ะมันจะย้อนกลับมาดูว่าเออเราเราไม่มีอะไรอะ่ะแล้วเราจะไปแบกทําไมเราจะไปซื้อทําไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อ mm hmm. มันมันก็เลยอยู่อยู่ได้แต่ว่ามันก็มีมาเรื่อยๆอยะะ่างเงี้ยค่ะ เยอะครับหลายหลายอย่างบางครั้งยังมีความรู้สึกว่าเราเราจะอยู่ไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราจะอยู่ทำไมเราจะทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่คำตอบหนึ่งมันก็มีมาว่าเหมือนที่พี่ๆหลายคนบอกว่ามันยังมีมีห่วงมีภาระมีหน้าที่ที่เราต้องดูก็คือหนูหนูจะเหลือแค่แม่กับกับลูกที่เป็นเด็กพิเศษแค่นี้คะ่ะหลวงพ่ออย่างอื่นก็ไม่ได้ ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงอะไรแล้วค่ะหล ค, ค, คือทุกวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็วิ่งไปวัดไปปฏิบัติค่ะแล้วก็อยู่อยู่ที่บ้านคือไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคหลวงพ่ออย่างเมื่อกี้ที่หมอสูบที่หมออะไรนะที่ที่ไปทําบุญล้อสียหนูก็ไปไปมาค่ะหลวงพ่อไปวัดราชาไปวัดราชาไปสํานักปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปที่วัดอรุณ ไปทําบุญทําบุญปฏิบัติถวายทานอยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปกติก็ทํางานคือไม่ไม่ได้มีเรื่อ ง, อ, งอื่นแล้ว่ค่ะหลวงพ่อมีอมีแต่ทางเนี้ยสะสมอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็เรื่องการมประชันท่ไม่มีนะนะลูปเสียงกินนั้อยคือเรื่องเรื่องกรมเนี่ยถ้ากรมการมหญิงกรรมชายค่ะหลวงพ่อห น, หนูหนูผิดปกติมาตั้งแต่ เริ่มมีชีวิตครอบครัวแล้วคือหนูไม่ชอบแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าพ่อผู้ใหญ่ขัดอ mm hmm. พอเพราะนั่นคือหนูก็ปฏิสเสธแต่ว่าอ่าโอเคเขาอยากได้ฟังสบายใจหนูทําแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีเรื่องการราคะอะไรตรงนั้นไม่มี mm hmm. คือหนูบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อหนู mm hmm. มันก็เลยคือตรงเนี้คือหนูตักหนูไม่มีหนูมีความคิด ตั้งแต่เริ่มแรกว่ามันน่ารังเกียจมันน่าละอายคือใจหนูมันไปไม่ได้ค่ะหพอ ม, มันตรงนี้มันมันแทบจะแบบไม่มีแล้วหนูก็บอกแม่หนูตลอดว่าหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบตรงนี้แต่ก็มันเหมือนเหมือนคนโดนบังคับแต่แต่เราก็ทำทาหน้าที่แล้วค่ะหลวงพ่อคือทุกวันนี้ก็อยู่แบบทำหน้าที่แค่นี้ค่ะหลวงพ่อคือหนูรอแค่สองห่วงนันเนี่ยที่มัดคอมัดขาหนูตรงเนี้ย ถ้าถ้าหนูยังมีชีวิตอยู่นะคะหลวงพ่อคือคืออยากไม่เอาอะไรแล้วค่ะมันมันมันมาทางเนี้ยแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไมสนใจอย่างอื่นแล้วะคะ่ะหลวงพ่อเนี่ยเดี่ตามไปนี่คือหนูปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ได้ขาดคือไปที่ออฟริศก็ขึ้นห้องพระปฏิบตัติปฏิบัติจนอย่างว่าเช้าก็ไม่อยากเลิกะคะ่ะหลวงพอมันสงบมันดีอะคะ่ะหลวงพ่อแล้ว ทําให้ใจระวังได้แล้วเฉยได้ค่ะหลวงพ่ อ, อละอะไรได้คือคือเหมือนแบบเออมันถอยมันเย็นลงมาได้นะค่ะหลวงพ่อหนูความหนูรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในในจิตของหนูอะหนูเห็นประมาณอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อดีทำต่อไปค่ะหลวงพ่อหนูจะพยายามเดินเดินให้ให้มันเข้าใกล้ให้ได้นะค่ะ มันไม่จำเป็นจะต้องบวชอย่างเดียวถึงจะถึงจะได้ทรรมาไม่บวชก็ได้อยู่ที่การปฏิบัตินะค่หลวงพ่ออือปฏิบัติมากมากแล้ว ก, กันค่ะงพ่อคือไม่ไม่ขาดไม่ถอยค่ะหลวงพ่ออือสาธุสาธุขอขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะอ่ากโน่คโหนพีเคคุณเกศคุณเ มีอะไรไหวันนี้น้ำกล่านักศึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าวันนี้มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยาอ่านถ้าเกิดว่าเราตั้งสัจจะหรือว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันที่เท่านั้นเท่านี้แต่พอดีว่าสถานการณ์เนี่ยไม่เอือ้อแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไม่ให้เสียสัจจะอย่างนีเจ้าค่ะควรจะทํายังไงดีเจ้าค่ะไม่อย่าไปตั้งเลย <laughs> ทนได้ก็ทาทําไม่ได้ก็ไม่ทําก็ไม่ก็ไม่เสียสัจจะเพราะอเรารู้ว่ามันไม่เพราะเรารู้ว่ามันอาจจะทําไม่ได้นำไปตั้งสัจจะเดี๋ยวทำไม่ได้ก็จะเสียสัจจะไม่เบาเบาแต่ถ้าพูดถึงว่าถามว่าไปได้ไหมก็ยังไปได้อยู่นะเจ้าค่ะพอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกมากที่จะไปอะไรอย่างนี้เจค่ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นการเลื่อนออกไปก่อนอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็อย่าไปตั้งสัจจะก็อย่าไปตั้งมนเลื่อนไม่ได้หรอกถ้าเลื่อนมันก็ไม่ใช่สัจจะนี่ก็อย่าไปตั้งเลนะเพอมันตั้งใจมากเลยเจ้าค่ะพระจา์แต่ถึงจะเปลี่ยนใจตั้งก็ต้องไปถ้าเปลี่ยนใจมันก็มันก็ไม่ไม่ให้สัจจะแล้วนี่ใช่ค่ะพราเหมือนเหมือนกับว่าจะจะเปลี่ยนใจแต่ว่าสัจจะรอบแรกเนี่ยมันยังอยู่เจ้าค่ะพระจางคือเหมือนกับว่าจะเอาเอาสัจจะรอบแรกไว้เลยอะไรองนี้ยค่ะ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการรักษาสัน จ, จารหรือไม่นักการรักษาสัน จ, จารเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งไว้แล้วก็ของลูกเจ้าค่ะพอาจารย์ก็ยังมีปฏิบัติฝึกนั่งนิ่งๆอยู่เจ้าค่ะอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วก็จะในวันที่ฝึกนั่งนิ่งๆเนี่ยลูกพะอจารย์ดทานข้าวไปเลยอย่างนี้เจ้าค่ะอืวันนี้ก็ฝึกหกชั่วโมงเจ้าคะ่ะก็จะเริ่ม วันนี้อาจจะเห็นผลมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเจ้าค่ะาจารย์ก็คือเริ่มมานิ่งๆเอาตอนประมาณสักสองชั่วโมงไทยเจ้าค่ะ mm hmm. ชั่วโมงแรกเหมือนสับประงกาค่ะภ า, ารยาคือสับ mm hmm. นั่งแล้วสับประงบเลยเจ้าค่ะแต่พอมาสักสองชั่วโมงหลังเนี่ยก่อนที่จะเลิกนั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันมันได้รับผลมากขึ้นเจ้าค่ะก็ก็ลเลยคิดว่าแต่ลูกก็ไม่ทิ้งไม่เจ้าค่ะภ า, ารย์ก็คือกะว่าจะให้อธิรั์หนึ่งวันเป็นอย่างน้อยนี่เจ้าค่ะฝึกนั่งนิ่งๆ Mm hmm. เหมือนเหมือนท mm ี hmm. ่ท่านพระอาจารย์ทํามาเลยมั้งจ้ะค่ะมีประโยชน์ใช่ไหมใช่จ้ะค่ะ mm hmm. เพราะอย่างบางทีเราวุ่นวายมากๆเนี่ยพอเรามาเปิดนั่งนิ่งๆมันก็ตัดพวกความวุ่นวายความกังวลอะไรออกไปได้เยอะจ้ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อยู่ที่ว่าเรามาต่อสู้กับปิริตของตัวเองแค่นั้นเองเจ้ะค่ะ mm hmm. ความหิวความอยากทํานู่น mm hmm. ทํา น, นี่อะไรอย่างนี้จ้ะค่ะ mm hmm. ความอยากปรุงแต่งอยากปรุงสรานอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะอ่า รู้อยจะขออนุญาตอีกนิดหนึ่นงจากอาจารย์คืออย่างพูดถึงการเพ่งกสินนะเจ้ะค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าจะลองลองเปลี่ยนจากการใช้คําบริกรรมมาเป็นการเพ่งกสินเป็นเป็นสีเขียว อ, อย่างนี้เจ้ะค่ะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงบ้างเจ้าถ้าไม่รู้อย่าไปทําได้งไงล่ะ <c oughs> เราก็ไม่เคยทําเราจะไปบอกมันก็ไม่เดี๋ยวก็บอกไม่ถูกถ้าไม่รู้ก็อย่าไปทําอย่าไปลองทําไมนอกจากถ้าเรารู้แล้วเราก็ไปทําได้ถ้าไม่รู้ก็อย่าไปทํ า, าะะมัน <c oughs> ก็อยู่กับความบริกรรมไปก่อนนี้ก็โนะ <Okay. S 1> อเคแล้วจะลองก็ลองดูเสียอย่างที่เราเราคิดไว้นะถ้าห็นแค่สีเขียวก็ก่อนจะหลับตาก็ดูใบไม้เห็นดูสีเขียวแล้วจดจําสีไว้แล้วพอหลับตาก็สร้างสีเขียวขึ้นมาในมโนภาพให้มันเต็มจอใจเราไปเลยอันนี้หลับตามเป็นสีอะไรล่ะมันจะสีเขียวจังะอาจารย์เหมือนจะเป็นสีเขียว เป็นสีเขียวแบบเต็มเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยจ้คะค่ะแต่รูกไม่เข<ำ>้ใจว่าว่าทำให้มันเขียวแบบเต็มเต็มจอไปเลยแล้วก็เขียวแบบเต็มที่ไปเลยแล้วก็ให้มันตั้งอยู่นานๆนี่อะไรแล้วต้องทําให้เขาแบบว่ายอ่อดสวนมาเป็นเขียวเล็กๆไหมจ้คะค่ะพระอาจารย์หรือว่าเป็นสีเขียวอย่างนั้นเต็มจออย่างนั้นตลอดเลยไม่ย่อมันทําไมล่ะก็เราใช้แล้วการให้มันนิ่งอย่าไปยอดอย่าไปทําอะไรให้เพ่งเฉย ถ้าไปยาอมันก yeah. nah ็ไม um, really IR ่นิ่งเลยย่อไปแล้วก็ขยายขยายแล้วก็ย่อมมันก็ยังจิตมันก็ยังทำงานอยู่อือแปลว่าให้เห็นสีเขียวไปตลอดเลยใช่ไหมจ๊ะตลองคิดอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เคยทำอ่ะไม่ยอมว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลองลองที่จะทำอาจารย์มันก็เหมือนดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวตลอดเลยนะอยากจะใช้สีเขียวก็ดูสีเขียวไปตลอดเลยอย่าให้สีเขียวมันหายไปจากใจนอน แต่มันจะมีบางช่วงเจ้าข้าพาจ้าหน่อยเห็นเป็นสีเขียวเต็มไปแล้วนะทีนี้น่ะมันสีเขียวหายไปแล้วมามาดูลมมจะดูลมได้บ้างหรือว่าลองอยู่มักํางครั้งก็ได้ก็ลองอยู่กับสีเขียวอ่าอย่าเน่งเปลี่ยนเป็นกว่าจิตจะรวงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะน้องนำไปปฏิบัติดูเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมารายงานผลทนทีเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณไปอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุเจ้าแต่เราไม่เคยทำแล้วต้องบอกไว้ก่อนดูเนาะ เจ้าค่ะอาจารย์คือของลูกว่ะคืออยู่กับคําบริกรรมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยจ้าค่ะวันนี้ก็เลยลองแต่ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไหมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เคยลองลองเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ให้เต็มจอเป็นสีเขียวหมดเลยเจ้าค่ะอก็เลยนิ่งได้ด้วยเพราะว่าก็ดีถ้ามันนิ่งได้ก็ใช้ได้แต่อย่าไปอย่าไปย่อส่วนถ้ามันหายก็นด้งมันกลับขึ้นมาใหม่ถ้ามันจางหายไปก็ต้องเด้งมันับขึ้นมาใหม่เจ้าค่ะแต่๋ยวจะน้อมใบปฏิบัติจ้าค่ะ แล้วขอบจ้า ค, ค่ะสาธุธุจ้ะ ค, ะค่ะยินดีแอนสสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ไม่มีคาถามคะ่ะเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีคะ่ะท่านอาจารย์เรียบากกลับท่านอาจารย์เหมือนเดิมคะ่ะบอนซองเตคคท่านอาจารย์สวัสดีร้นเลยหนอยยยตอนนี้มัส สองวันก่อนภายุร้อนเข้าค่ะท่านอาจารย์<ม>แล้วก็เพิ่งมีวันเนี้ค่ะเช้าเนี้ยค่ะที่ว่าอากาศเอลงมาที่ที่ยี่สิบเช้าเนี้ยค่ะอ<ม>ืก็เริ่มเย็นขึ้นก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าจนกระทั่งถึงปลายอาทิตย์ค่ะก็อากาศเริ่มดีขึ้นหน่อยไม่เข้าถึงสามสิบเก้าแล้วก็<ม>ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้ยค่ะท่านอาจารย์ขึ้น ข, นขนลงลงแปล<ม>เยอะค่ะท่าน โอเคก็ฝากความคิดถึงให้คนในเว้นด้วยนะฝากควาขอบคุณด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณยิ่งยืนนะคะุณนาลิกาดาราที่ว่ามาลิกาเชิญได้ยินไหมกับนมัติการเจ้าสาวอาจารย์่ก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะาาก็คือตามที่ว่าได้ปฏิบัติมานะท่านอาจารย์ก็มันก็ได้ควาเพื่อน ในในห้องนี้นะคะว่าในเรื่องของการปฏิบัติก็ลูกก็ส่วนให ญ, ญ่จะได้ฟังมธรรมนะคะว่าการพอพอพระอาจารย์พูดว่าเออนะราร้องทฟังแค่หนึ่งปฏิบัติให้สิบใช่เนะเาะเราอาจจะพลาดเราอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้แล้วเออแค่ความธรรมให้เราได้รู้แต่การปฏิบัตินั้นมันมันถูกต้องไปนะคะพระอาจารย์ดังนั้นทําให้พอเรามีปัญหาครับทําให้มันเกิดลุ่มลุ่มลอยลอยเพราะว่า เราไม่ได้สร้างเหตุเราหวังแต่ผลก็เหมือนกับว่าพอมีปัญหาขึ้นมาก็มันก็ต้องต้องรับบปัญหาก็ก็เหมือนกับว่าเพื่อนในนั่นแหละก็คือในเรื่องของการปฏิบัติชกษาจารย์ mm hmm. เขาจะถามว่าทำไมต้องอยู่อย่างนี้ทำไมต้องอยู่อย่างนี้ทำไมทำไมต้องทำตัวไม่เหมือนคนอื่น ว่าทำไมเขามีเขอคำถามบอกเ้ามีแต่ทำไมทำไมไม่อยู่วัดใกล้ๆทำไมต้องไปไกลอะไรลักษณะอย่างนั้นบางครั้งเขาทําให้ใจลูกเฟ้เหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าอ๋ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเอาบ้านมาเป็นวัดได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันทําไม่ได้ครับอาจารย์ mm hmm. เราไม่เหมือนกับไปว่าไปหาครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติไปขึ้นขเขาไปปฏิบัติที่เหมือนกับที่ลูกพุ่นเหมือนครา้งก่อนว่า เหมือนบวกกับลบลบไปอยู่ที่โน่นเราสบายก็สบายในเรื่องของว่าใจเราใจเราก็สงบก็กลับมาที่นี่ไม่ใช่อาจารย์นั่นแหละก็คือก็อบอกตัวเองบอกว่าบงยังมีหวังก็เหมือนเหมือนเพื่อนแหละเพราะว่ายังมีพ่อยังมีคุณพ่อยังมีคุณแม่ยังอยู่ตรงนี้พล้คุณแม่เราก็ขยันแล้วอ า, า, าจารย์แปดิบปีแล้วเขกย็ยังไปยังขยันดังนั้น ใจของเราก็ต้องไปต้องไปช่วยคุณแม่ตรนั้นลูกต้องไปช่วยช่วยปลูกฝักช่วยโน่นนี่นั่นก็นั้นเสริมคุณพ่อนั้นเสือบเก้าสิบแล้วก็คือก็โอเคในจุดนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องของคุณพ่อนั้นก็คือไปให้พ่อสวดมนต์ให้พ่อไหว้พระแต่ว่าดีตอนนี้ก็คือไปอยู่กับน้องสาวลูกก็อยู่ตรง น, นี้คนเดียวอยู่ที่บ้านบ้านนี้คนเดียวก็ก็มีโอกาส ที่จะได้ปฏิบัติดังนั้นตั้งแต่นี้ไปก็คงจะถือคำปฏิบัติของพระอาจารย์บอกว่าให้ฟังแค่หนึ่งปฏิบัติให้เยอะเจ้าข่าพระอาจารย์ดีปฏิบัติสติตัวสำคัญที่สุดนะเอาสติให้ได้เป็นสมบัติชัญนยัไม่เผลอเลยทั้งวันเลยไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาก็คือ <Okay. S 2> มันมีปัญหา ก็มีน ja ิดหนึ ifique, ่งเหรอคะพระจาก็ม no ีป right, ัญหาตรงที une, there, ่ว่ามีความรู้สึกว่ายังแต่ว่าจับทันแล้วก็คือแบบเขาเขาเขาพูดขึ้นมาเขาพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็เราพยายามที่อธิบายเขาก็พยาามโต้เสียงเราโต้เถียงว่าเออเขาก็โต้เขาก็เถียงว่าคือเขาก็ยึดคทำแนวเขาเราก็บอกว่าทําอย่างนี้ถูกแต่เรากลับโกรธเขา พอเราอยากให้เขาทําตามที่เราพูดไงหรือเขาไม่ทำเราก็โกรธทำแก้อย่างไรเจ้าค่าพระอาจารย์ก็อย่าไปอยากเลยอย่าไปอยากสอนยขอย่าไปอยากสอนใช่ไหมพระอาจารย์ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆถ้าเขาถามก็ตอบไปแล้วก็จะทําตามให้ทําตามก็อย่าไปโกรธเขาถ้ามีหน้าที่บอกเขาก็บอกเขาแต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องไปสอนเขาทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าการพูดของเขาน่ะ มันไม่ถูกต้องเราก็เฉยๆมันเรื่องของเขาอถ้าไม่ถูกต้องเขามาพูดอะไรเฉยๆนิ่งไว้จะถามที่จังหวัดโอเคนะอาจารย์ใบคอนแกนตอนนอยากใต้ขึ้นอีสานนะใบคอนแกนปั๊บเดียวถึงเลยเนี่ยเทวดาเบนปุ๊บเดียวอ่าอาจารย์สายทิพย์ การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องบินมาสารคามค่ะพระอาจารย์ได้ดูสารคามค่ะมีนัดกับเพื่อนค่ะก็เลยกลับปันเกนแล้วก็มาสารคามค่ะค่ะยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีวันหนึ่งอันนี้เรื่องของผมค่ะพระอาจารย์ผมหงอกกับผมขาวปกติเราเห็นผมหงอกเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะเอามันออกมีวันหนึ่งเราเห็น เออมันก็สีขาวสีดำปล่อยมันไว้นี่แหละอย่าไปให้ข้ามันเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ผมจะอีกผมจะตรงก็ปล่อยมันนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เลิกสนใจมันนะคะ<อ>แต่ก่อนเห็นสีขาวแล้วก็เอ้ยเอยเอเอาออกไหมไหมตอนนี้ยามนำ้ำาแล้วน ะ, ะก็ก็แค่สีขาวก็แค่สีดำอะไรเอองี้ยคะ่ะ กันเ<ม>ลยเออไม่เราก็ลืมมันไปเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนถ้าเห็นสีขาวก็จะส <2 S 1> <ม>่องส่องแล้วก็เอาออกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออพอเราคิดอย่างนี้ก็สบายใจหมายถึงว่าเราก็ไปใช้การส่วนอืน่นๆของร่างกายด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เออมันก็เป็นของวันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของวันอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะอืมหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเสริมลงไปเรื่อยๆ ค่ะใช่ค่ะก็เห็นความความเสื่อมของความแก่ของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยิ่งก็แก่นับวันก็แก่ไม่ได้สวยสาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ปฏิบัติเพื่ม่ให้ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองค่ะห้ามมันไม่ได้ค่ะก็ไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์พยายามปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจเรื่องสติให้มากขึ้นด้วยค่ะสติสติเราไม่มั่นสติไม่มั่น เดี๋ยวโนตั้งจะตั้งใจตั้งสติให้มากขึ้นค่ะโอเคสาธุค่ะสาธุสาธุาค่ ะ, ะลงมาที่พัทยาต่อใี่คุณตายได้พร้อมกับน้ำมาสการ์ครับอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังค่ะไม่มีคำถามค่ะอันนี้ยังปฏิบัติอะไรอยู่เปล่าก็ <c oughs> ดยใจเฉยๆอ <c oughs> <ๆ>าจารย์จุนี <c oughs> <c oughs> ยังไม่กล้าจะเข้าพรรษาอยู่นะยังไม่กล้าจะตั้งสัทจาอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้น่าจะศีลห้าได้ปะได้ค่ะศีลห้านี้ครบค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก็อยู่หกเจ็ดหกเจ็ดนี่แหละค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้แปดยังไม่ถึงแปดเลยค่ะก็ยังติดสายเครื่องประดับอยู่ค่ะพระอาจารย์ข้าเย็นข้าเย็นไม่ค่อยกังวลเท่ากับเครื่องประดับนะ อ่าค่ะพอาจารย์หนูไม่ใส่นาฬิกาและนาฬิกามันไม่เดินหนูกลัวมันพังอ่าไม่มีอะไรค่ะพอาจารย์โอเคพยายามนะตัดนักเถอดคำวูานี่ของไรสาะระทั้งนั้นนะเจ้าขาพระอาจารย์พยายามอยู่ค่ะคนเราสวยที่ใจไม่ได้สวยที่เครื่องประดับนะเจ้าขาะอาจารย์ส่ธ อ่คุณเจริญธานสวยที่ไหนดียังไม่มียังไม่เห็นนื้อมหัศ ก, การพระอาจารย์ค่ะยมยมก็ยังรอธรรมะจัดสรรอยู่ค่ะยังไม่ถึงไหนเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> ยมยังเพิ่งจะซื้อตั๋วไปเที่ยวติดหน้าอยู่เลยยังยกินเลยจัดสรรอยู่นะ <laughs> จริงๆอะโยมก็แอบคิดในใจนะคะว่าโยมไม่ได้ไปเที่ยวมาหลายปีแล้วก <laughs> ็ไห <laughs> นๆลูกก็ซัมเมอร์อยู่ก็ขอสักทีหนึ่งแล้วกันอย่เงี้ยครับ <laughs> อะโยมจะพุดโทรพทโทในตลอดเวลาไปเที่ยวได้ไหมครับเ <laughs> อออย่าไปทำเลยมันจะไม่มันจะไม่สนุกนะ <laughs> <laughs> ขอเว้นว่กนิดนึงค่ะพันจักรขอจักรงข อ, ข อ, ข, อ, ข, อ, ข, อขอมาทุกวันสองวัน แค่สามวันเองเหอครับามันอค่ะแล้วก็โยมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณสุภัตต่าด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าโยมทะลุหน้าจอไปได้ก็จะเข้าไปกอดขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ <Yeah. S 2> ส่วนส่วนถ้าโยมเองก็เหมือนกันถ้าวันนึงข้างหน้าลูกลูกโตแล้วก็อาจจะต้องขอความมิตตาจากอาจารย์หมอพัสนามเพื่อจะได้ข้อมูลในการโดยปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รักษารักษาทุกวันปฏิบัติทุกวันไปเรื่อยๆคำเท่าที่ทำได้ค่ะาจาดอ่าแล้วก็อ่าจิ๊บฝากกับพระอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้ามานะคะเน่ยังไม่เห็นเลยผมยังไม่ได้คูคุณจะไม่ว่าฝากกลับด้วยนะคะขอให้พาจาทัดนะคะขอบคุณไปเที่ยวที่ไหนลืมถาม โยมไปแล้วไม่อยางจะบอกก็ไม่เป็นไรไปไปโยมไปไปโยมไปเอส่วนสนุกอะค่ะพระอาจารย์ัยงไตอนแรกโยมขับรถประมาณสามสี่ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ขอสารภาพอีกด้วยจริงๆแล้วยมก็แพนจะไปอีกเดือนหน้าด้วยอาทิตย์หน้าอันหนึ่งแล้วก็เดือนหน้าอันหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกผิดแล้วค่ะอาจารย์อันของเดือนหน้านี่อาจจะพิจารณาหยุดไปก่อนค่ะพอหอมปาของคอนะ ค่พระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากคะคุณลูกตาชนเมล bothers. ีเชิญนมสการ์ั <k <k ่ะพระจารวันนี้ไม่มีคาถามค่ะเอามาร่วมฟังธรรมค่ะเคยังไงด้คุณแมทกับคุณค้าับนมักการค่ะพระอาจารย์กลับน้อมสักการครับอาจารย์ก็ยังปฏิบัติทั้งทั้งโลกกับทั้งธรรมพยายามทา พยายามไม่ทิ้งทางธรรมค่ะพระอาจารย์แต่ทางโลกก็ยังเยอะอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะรักษาธรรมะให้พอถึงวันที่ได้โอกาสก็จะอืจะได้ไปทางธราารมค่ะอย่างน้อยก็เอาสีนห้าไว้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะสินห้าสินห้าอย่างเป็นก๊อดค่ะพระอาจารย์ครับแล้วก็อย่าง ช, ช่วงเข้าพรรษานี่ก็ผมก็พยายามจะ ปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรให้มากขึ้นครับก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ให้ให้ดีขึ้นครับแต่สี่ห้าก็ปฏิบัติเป็นปรกติอยู่แล้วครับพระอาจารย์ครับนี่ยังฝึกสติบ่อยๆนะครับพระอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะคุณหมอสุทัินัเชิญประทุมท่านนี้นามสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคเดินไปที่สกลนครครูพิสิทิ์การนมัสการพระอาจารย์ครับไม่มีคำถามครับพระอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่สกลนครนี่ใครนําที่สุดนอะอ๋อก็มีหลายองครร์งครับอาจารย์องครับอาจารย์อว่านอย่างเงี้ยครับอื มากระจาย์ทางสายปฏิบัตินะไม่ใช่ทางสายใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับตัวอย่างง่ายเป็นทางสายปฏิบัติทั้งนั้นใช่ใ <okay> ช่ใช่ครับไรองคไรองค์คร응ับอาจารย์หลวงปู่บ mm ุญเพ่งก็ก็โอเคอยู่ครับอืหลวงปู่บุญเพ่งก็ก็ใช้ได้เลยว่าเหล่านี้เขาก็มีที่ให้พวกไม่ชีอยู่มันใช่ไหมมีมีครับมีมี่เยอะแยะในบสะกรอุดรเนี่ย ว่าที่มีที่ปฏิบัติที่ให้ผู้หญิงอยู่ได้นะมีมีครับอาจารย์แล้วก็มีครูบาอาจารย์ดีๆหลายองค์อยู่ครับอาจารย์อืแต่แต่แต่คนจะรู้หรือเปล่านี่ก็อีกกรณีหนึ่งใช่ส่วนใหญ่ท่านไม่ให้ประดดที่ออกมาหรอกครับทางบูดอก็เยอะครับอาจารย์ทางบุดรนก็เยอะของดีมักจะหายะของดีหาง่ายไม่ใช่เป็นของดีอรับดรก็เยอะอุดรก็เยอะครับอื หลวงปูบุญมาลบปูบุญม า, มาคำพีธมโมอยู่วัดป่าสิหาพนมนั่นก็โอเคอยู่ครับพรอาจารย์นั่นก็เป็นปรูบาจารย์พูดตามว้เพื่อให้คนที่เอยากจะหาที่ปฏิบัติได้ด้วยังมีเยอะแยะอเยะชาวภาคอีสานเยอะเยอะอยู่ครับพระอาจารย์<ม>เยอะอยู่ครับต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละครับเพราะว่าเป็นสายตรงโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนั้นเลยครับพระอาจารย์ ต้องท้าสู้กับความทุกอย่างลำบากเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นวัดสุขสบายใช่ครับใช่ครับอืก็ถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็ไปหาคาารูบาอาจารย์ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าท่านมีความเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วครับลงปุทุยอย่างเงี้ยฮะอยู่เบื้องการก็ลงปุทุยอย่างเงี้ยที่ยังอยู่อืลูกศิษย์ของลุงปู่ทงคูก็เยอะอยู่ครับทังนั้นฮะแต่พร้อมที่จะสู้หรือเปล่าแค่นั้นเนนะอง <laughs> พร้อมที่จะสู้หรือเปล่าแค่นั้นเองไหม เพราะไปมันต้องลุยกันจริงจริง ม, มันจะนสบสบแต่ครูบาอาจารย์ท่านที่มันไม่ส บ, สบายแต่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอาจจะดูดู ด, ด, ดูดูไปว้างแต่ว่าออืมออโดยพื้นฐานท่านมีเมตตาอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ได้สงสัยในตัวครูบาอาจารย์นะถ้ามั่นใจแล้วเพราะว่าท่านพอถึกคนฝึกถึงจุดหนึ่งเขาก็มีเมตตาอยู่แล้วดังนั้นเกียรติครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยไม่มีปัญหาเลย อยที่เร า, ากล้าเข้าไปหาท่านหรือเปล่าเนี่นนะคยกลํา <g ül> ไม่ม่เพื่อก็คือท่านครับกล้าเข้าหาสือหรือเปล่าเนี่คุณวาอาจารย์ท่ามันสือท้านมั้งเครับหลายที่หลายที่ครับผู้อาจารย์หลายที่มากเลยครับอโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับผู้อาจารย์กลาวขอบพระคุณผู้อาจารย์ครับโอเคเป็นไปด้วยคุณโยมจันเฟสเบุ๊กเป็นยังไง อันนี้เป็นจีบไม่ได้เข้ามานมันสการค่ะพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่วัดที่พิสเบิร์กเขามีทําบุญเข้าพรรษาได้เจอโยมจีบอยู่ค่ะพระอาจารย์คนไปเยอะไหมย เ, เยอะพอสมควรค่ะพระอาจารย์แต่ไม่เยอะเท่าทุกครั้งค่ะอืค่ะก็ยังมีคนมารวมทําบุญอยู่ค่ะส่วนตัวโยมเองก็อ่ายังอาศัยปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์ไม่เท่งนะ ไม่ทิ้งค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมและลึกถึงคําของอ่หลวงตามหาบัวเคยฟังท่านว่าถ้าเกิดว่าชาตินี้ไม่ได้เรื่องชาติต่อไปก็ไม่ได้เรื่องค่ะพระอาจารย์ถูกต้องก็เลยจะไมค่ะถ้ามันได้เรื่องในชาตินี้นะค่ะพระอาจารย์จะต้องได้เรื่องในชาตินี้ค่ะก็เพียรพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคดีค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณหมอหน้าทวิตต่อคุณหมอเป็นยังไง อาการแบบเราดีขึ้นไหมอ๋อดีครับก็ใจสงบก็ดีแหละครับอืตอนนี้ก็อายุผมก็ผ่านไปแล้วครับอืมครัก่อนก็ไปขึ้นสารอาญาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเรวก็ทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีริททอนไม่มีอะไรนะเขาเขายกฟ้องไปแล้วครับเอาครับ จริงๆเขาเหมือนเขาก็ขัดแย้งกัเรื่องมรดกแล้ไปดึงเราเข้าไปเอารองกันเลยกันดูเลยเราก็ไม่รู้เรื่นมือเหล่าอะไรเขครับนะก็อยู่กับโลกก็าวุ่นวายครับนะก็มัวุ่นวายกันไมก็รักกันโยนน้ำไปโยนน้ำชาอย่างที่ท่านอาจารย์สอนครับเป็นข้อสอบครับมันก็ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่ทีุจริกที่อะไรอย่แล้วครับก็แกงก็ตรงไปตรงมาะครับนะถอดไปครับนะ โอเคไม่มีอะไรนะมีไหมก็ก็ยังยังคิดเรื่องออกอยากออกปฏิบัติอยู่ครับอ่าลอาไปถามถามภรรยาดูก็เขาก็เขาก็โอเคแต่ว่าบอกให้ถับลูกๆนะแต่ลูกยังไม่ยอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ภาอาจารย์ไปสอดครับ ต้อบอกเขาเหมือนกันว่าเหมือนพ่อไปเข้ามาหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปเรียนสอนวิชาใหม่ไปสอนวิชาใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกเข้าไปเขาบอกว่าอา้าวแล้วจะมาสอนให้หนูเป็นแม่ชีแล้วก็ <laughs> <laughs> ดีเป็นแม่ชีดีกว่าอะไรเยอะแยะครับอ่าก็เขาพยายามพยายามนั้นอยู่แต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสค ร, ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าก็ก็ได้เขาเขาเข้าถึงธรรมะแล้วถึงพุทธศาสนาเลยครับอืเราคงต้องค่อยๆคุยไปเรื่อยๆครับฮ นด่ครับโอเคไปเดี๋ยวส่งวันหยุดเดี๋ยวอาจจะหาครอบครัวไปกราบพระอาจารย์ทำให้พระอาจารย์ช่ยสอนเด็กๆให้ครับอืบให้เข้าหาข่าวัันบางทีรู้จักครับอ่ะครับอ่ะยาวอันนั้นก็อาจจะทบุญทําทานไปก่อนก็ยังดีครับมาได้มาไปก่อนครับมาครับทําบุญทำทานก็เขาก็ตามคุณแม่เขาทําเยอะอๆครับมาะโอเคดีครับมาฮมก็คงไม่ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวคง เดี๋ยวคงหาช่องอาจไปเปิดได้จะได้ไม่มีภาระอะไรก็ได้ออกปฏิบัติได้ครับครับครับผมนะคุณหมอชัยยศอ๋อครับเดี๋ยวต้องดูครับก็หมอชัยยศนี่เก่งนะเกือบ80แล้วมาบวชทำ70กว่าเอบ80ครับครับครับครับครัครับครัครครับคครัครับครัครับครับ แต่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องทํากันอย่างน้อยจะต้องลองดูสักยกหนึ่งว่าไปได้หรือไปไม่ได้ค <laughs> รับระยะผมก็จะเป็นลบากก็ไม่แต่ว่าผมว่ามันก็เป็ น, น, เ, ปนเป็นทางนะฮะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อยางเราก็จะชินอยู่กับทางเดิมนความสุขจากลูกเสียงกินลดเลยครับซึ่งก็เป็นในเป็นอนิจจังเป็นนาตาไอายพิมดครับก็มีโอกาสชาตินี้ต้องลองดูครับนี่โอเคนะ ค, ครับผมครับเดี๋ยวผมได้เจอแล้วขอติดครับอ่าคุณปุ้ยนักสัมบรำนับมาสังเค่ะอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีค่ะพอาจารย์มารายงานตัวกับพระอาจารย์คุณปุ้ยยังปฏิบัติเหมือนเดิมกลางวันถือศีลเจ็ดกางคืนตอนเย็นสื่อศีลแปดแล้วโยมก็ไร่เอทําบุญ ทำบุญนะโนกระตาแล้วตอนนอนถือสีอะไรสีแปดเจ้าคราพระย่ตอนนอนตอนนอนยังถือสีอยู่ถื อ, ถอ ไ, ได้สิ่เพราะว่าโยมอะฟังธรรมเอาเอาเอาเอ า, เอาธรรมะใส่หูแล mm ้วโรมก็ไปกระธรรมะเลยโยมก็เลยคิดว่าเพราะว่าโยมไม่ฝันก็เพราะอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้เพว่า mm hmm. โยมก็ตื่นในเช้ามานั่งสมาธิเอ่อแล้วก็นั่งเช้านั่งกลางวันแล้วก็นั่งบ่ายอาไม่ไม่มีเรื่องเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้แบบโยมก็เอยังกลัวผีอยู่แต่อยู่มีสิบเปอร์ซ็นต์ที่โยมยังกลัวผีปา้าจันมันอาจจะเป็นให้คิด ว, ว่าผีจริงไม่หรอกผีเหลอกไม่จริงแล้วกันยังไงค่ะ โยมก็จำคำสอนของพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีโยมอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยโยมฟังพระอาจารย์ไม่ทันพระอาจารย์มาเปิดเทปโยมก็ฟังฟังย้อนฟังย้อนแล้วโยมก็นั่งนั่งสมาธิฟังไปด้วยเพราะว่าโยมก็ไม่แบบถามว่าโยมไม่โยมไม่เคยเห็นนรกเห็นสวรรค์เหมือนชาวบ้านเขานะพระอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นใหน้เห็นความว่างให้เห็นความสงบ แโยมจิตนิ่งแล้วโยมก็โยมก็เวลาที่โยมทำอะไรโยมก็จะสวดของโยมไปด้วยสวดคาถาชินมัญชนบทสั้นอ่ะโยมจะสวดของโชโยมไปตลอดอ่ยคือนั้นให้เราแบบมันไม่คิดอะไรไม่เอาใจไปเว้งควางอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโยมคิดเพ้อเจ้อไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าโยมก็กลัวไงค่ะแต่โยมเป็นแบบ ่วดๆนิดๆหน่อยมาสองวันแล้วเพราะยมเป็นปวดท้องยมไม่รู้เป็นโรคอะไรยมเป็นปวดท้องอือฮึแต่โยมก็ยังปฏิบัติค่ะยมก็ใช้สมาธิในการนั่งปฏิบัตินะ <Okay. S 2> คะโอเคติดต่อไปนะอย่าทำใโยมมาตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าปีเนี้ยโยมก็จะทําเหมือนปีที่แล้วจะทานเจแล้วก็จะถือศีล เออเพราะว่าถือศีลเหมือนเดิมถือศีลสวดมนต์แต่ว่าจะนั่งภาวนาให้มากขึ้นในพรรษาค่ะอืมโอเคสาธิต<ะ>ขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะพระ อ, อ, อาจารย์ขอให้คุณช่วยสุขให้ให้สุขให้เจริญให้ร่้รวยไปตลอดชีวิตนะสาธุเจ้าจ ค, ค่ะงมรับพรค่ะอ่ะาไปที้คุณเจ้าต่อคุณเจ้าอันนี้มีคำถามอะไรบ่า แอบนมสัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามนิดหน่อยค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกอิจฉาค่ะคือหนอูทุกวันนี้หนูจะมีกรุ๊ปของคนที่ทำวิสเนสอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาก็จะเหมือนแชร์ความประสบความสำเร็จของเขาเช่น progress ในแต่ละวันหรือในอะไรที่เขาตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆจุดมุ่งหมายมันก็คือเพื่อจะให้คนทั้งหลายร่วมยินดีด้วยเหมือนแบบ อารมณ์ประมาณอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอหนูว่าทุกครั้งที่หนูเห็นอะไรอย่างเงี้หยหลายๆครั้งมันจะเกิดเป็นความรู้สึกอิจฉาในใจว่าทําไมเรายังไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่เราจะแบบเอาไปโพสต์อินดีแบบนี้ได้บ้างทั้งแล้วตัวหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะความอยากของหนูเองที่ให้อยากให้มันประสบความสำเร็จอยากให้มันเป็นอย่า ง, ง, า น, างนั้อ น, นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท, ทั้งที่รู้แบบนี้มันก็ยังหยุดความรู้สึกอิจฉาแบบนี้ไม่ได้คือหนู หนูควรจะต้องทำยังไงต่อค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าคนเราสะสมบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันยันผลของบุญบา ร, รมีของแต่ละคนมันก็เลยไม่เท่ากันบางคนเก่งกับเราบางคนรวยกับเราบางคนฉลาดกับเราแต่ก็มีมุมกลับบางคนก็โง่งกับเราก็มีบางคนก็ไม่เก่งเท่าเราก็มีบางคนจนกว่าเราก็มีมันมีทุกรสนทุกแบบนะคนในโลกนี้ อยู่ที่เรื่องของบุญบารมีที่เราสะสมมันมาในในใ น, ในอดีตมีคำโบราณท่านพูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเลวลอพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบารมีนี้แข่งไม่ได้ต้องทําถ้าเราคิดว่าเราบารมีเราไม่พาอพอเก็พยายามิมบารมีต่อไปบารมีก็มีสิเาบเนีทานบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมี ในคัมภีร์บารมีอ mm ุเบกขาบาลมีปัญญาบาลเมฆอธิษฐานบาลมีสัจจะบารมีวิริยะบาลมีขันติบาลมีเนี่ยนะก็ค pues ือบาลมีเหล่านี้ที่จะทําให้คนเราแตกต่างกันเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้เข้าใจแล้วค่ะในเวลาที่เราอิจฉาใครเรามองคนที่เขาได้กับเราบ้าก็อาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกะได้ ว่ไม่มีคนที่เขาแยกกับเราต้องเยอะแยะเราจะไม่ต้องไปิฉาคนที่เขาดีกับเราใช่ไหมพอจะทำใจได้ไหมอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้นะได้ไดค่ะก็คืออย่างอย า, อยาคือถ้าในเรื่องทางโลกคือถ้าในทางธรรมมีบารมีสิบ ท, ที่เราต้องสะสมในทางโลกก็คือเหมือนเราเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรแบบนี้อะไรที่มันขาดเราก็ต้องเติมความรู้ที่มัน ต้องหาเพิ่มแต่ไดใกล้ขึ้นสเหตขึ้นไปพูดถึงอธิษฐานบา ร, รมีหนูก็อยากรายงานว่าตอนนี้หนูเกือบจะครบร้อยวันแล้วค่ะที่หนูตั้งอธิษฐานไว้ว่าทุกเช้าจะนั่งสมาธิก่อนที่จะลุกออกมาทำอะไรแล้วก็ก่อนนอนจะนั่งก็หนูสามารถทําส่วนมากตอนกลางคืนจะไม่พลาดจะได้นั่งทุกคืนแต่ว่าตอนเช้า จะมีบางเช้าที่ตื่นแล้วจะต้องรีบที่จะทำอะไรสักอย่างก็จะก็จะพยายามย้ายไปนั่งตอนกลางวันแทนแต่ว่าหนูก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยหนึ่งวันควรจะนั่งให้ได้สองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคิดว่าขั้นต่อไปหนูจะตั้งอธิษฐานใหม่เป็นไม่ใช่ค่าจำนวนครั้งแต่ต้องนานขึ้นอะไรดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเๆและสร้างบารมีนั่งสมาธินี้ก็คือการสร้างโมเบคาบารมี ค<บ>่ะแมาฟังเทศฟังธรรมาส น, งงานทนาธรรมก็มาสร้างปัญญาบางมีค่ะหนูฟังเยอะเกินไปจากจากที่ควรที่ควรจากที่วันนี้ทุกท่านพูดถึงกันว่าฟังหนึ่งปฏิบัติสิบอ่าหนูน่าจะกลับกันอ <laughs> าจะเป็นฟังสิบปฏิบัติหนึ่งแต่ว่าหนูโดนเมื่อประมาณสองสมาธิที่แล้วโดนเพื่อนเหมือนทักขึ้นมาเรื่องเนี้ยค่ะว่าแบบ ทุกเช้าตื่นมาพรหนูจะตื่นมาประมาณตีห้าสีสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าของเวลาทางทางเวลาของหนูมันจะหกโมงเช้าที่จะมาเข้าซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนกระทักขึ้นมาว่าเนี่ยอ่ทีตื่นมาซูมมาฟังอย่างเงี้ยทาได้นั่งแต่ละวันไม่ได้ไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรฟังคลิปพระแต่สิ่งที่เบสิคที่สุดที่ควรจะทําคือนั่งหลับตาตามลมหายใจกับไม่เคยทํา <c oughs> เวลานั่งหลับตาทีก็นั่งคิด หรือไม่ก็นัง่งอะไรคือพอหนูจะอธิบายเขาฟังละเอียดไงคะ่ะว่าเวลาหนูนั่งแล้วหนูแบบทำอะไรที่มันอยู่ในหัวหนูอะไรอยงี้เขาก็ว่ามาทีหนึ่งแล้วก็วันนั้นนะ่ะก็คือเหมือนสะกิดใจค่ะวันนั้นหนูนั่งได้สองชั่วโมงอ่าเราก็ตามจำไม่ได้แล้วว่าหนูตามลมหายใจหรือตามผุดโทแต่ว่าจําได้ว่าเป็นสองชั่วโมงที่ไม่ได้คิดว่าสองชั่วโมงเพรตอนที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วมองเพราะเวลาหนูนั่งมันจะกดจับเวลาอ่าทิ้งไว้เลยค่ะ ก็ดูเวลาแล้วก็นึกว่าแค่ชั่วโมงเดียวแต่ก็ผ่านไปสองชั่วโมงก็ยังตกใจว่าอ๋อโอเคก็นิ่งพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เข้าสมาธินะคะแต่แค่รู้สึกเบาสบายขึ้นนีต้องเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วกันนะค่ะแล้วก็หนูคิดว่าที่พระอาจารย์แนะนำกับทุกๆท่านว่าในชีวิตประจาวันควรจะ คนจะมีสติตลอดเนี่ยค่ะถ้าไม่งั้นถึงเวลามานั่งเราไม่มีสติเลยก็จะยากถูกต้องโอเคสาธุค่ะพระอาจารย์มมากค่ะโอเคสาธุไปที่คุณฟังว่าอะไรตาฟังว่าอะไรอันนี้ไปถึงบาหลีแล้วล่ะค่ะพรอาจารย์อยู่บาหลีเลยแล้ว เจ้าขาอยู่ที่อินเอร์คอนติเนนตัลปาลีเจ้าขาไม่รู้หละอะไรนะฟรีอะห้องพักฟรีค่ะบริษาต่อค่ายเก้าทั้งหมดก็เก้าร้อยยูเอสดอลลาร์ก็แพงอยู่นะราะว่าหนูเสร็จธุระเสร็จปุ๊บเกือบสมสามมืนผมค่ะเพราะว่าไม่ไม่นอนกับพื้นใช่ไมนั้อยนอนกับพื้นใช่ไมโอ นอนไปนแต่ว่าหนูปฏิบัติค่ะตื่นเช้ามากหนูก็ก่อนที่จะไปประชุมค่ะหนูก็ไปนั่งสมาธิตรงระเบียงข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนตอนเอตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมนะค่ะก็ก็ฝึกไปแล้วค่ะแล้วก็เวลาตอนประชุมเจ้าค่ะมาอยู่ที่หาดไหนเอมอตอนใต้ค่ะหนูไม่มั่นใจไม่ค่อยรู้หนูก็แล้วแต่ก็ไม่เลยบอกชื่อเลย บอกเชื่อแต่ตังไม่ได้ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เอาค่ะไม่ได้เอามาเป็นเนี่ยค่ะหนูกินอาหารก็หนูก็กินแค่แค่ถ้วยเดียวค่ะแล้วก็แล้วก็ลูกออกไปก็คือตามมีตามเกิดเหมือนที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ใกล้สนามบินตอนใต้ใช่ไหมอยใกล้สนามอ่าใช่ค่ะเจ้าค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวพุ่งนี้ค่ะก็จะมีทริปที่หนูจะตั้งใจที่จะก็ท่องเที่ยวจ้ะคะแต่ว่าจะใช้ใช้วิธีการเป็นนั่งสมาธิเจ้าค่ะ mm hmm. ที่อยากทำแล้วก็ในหยุดในมิ팅อะค่ะเ ร, เราเห็นวันนี้เขามีการาดินเนอร์ค่ะพอเสร็จงานปุ๊บหนูก็รีบขึ้นมาและมีเพื่อนๆ เ, เ, เขาเขาอัฟเตอร์ปาร์ตี้ต่อแต่ว่าหนูเห็นหนูก็ใช้พิจนาเมื่อก่อนจะใช้เป็น มองโครงกระดูกเนี่ยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้คือมันทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติคนขึ้นไปรับรางวัลมันก็คือเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดอะไรเงี้ยก็พอเสร็จปุ๊บคิดถึงก็เลยรีบกลับมาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งสมาธิต่อเจ้าค่ะอืมเดี๋ยวจะกลับแล้วเ๋ยวค่ะขอบคุณเจ้าค่ะกลับเมืงเทพเนีกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยเจ้าค่ะกลับวันอาทิตย์เจ้าค่ะมาอยู่กี่วันเนี อ, อยู่ถึ ง, งวันวันอาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์เช้ารีบกลับเจ้าค่ะอืมโอเคก็ก็ใช้เวลาหลังจากเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของเราละค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอ่าสวัสดีคุณจอยต่อจอยไม่ไงคืนละสามคืละสามหมื่นนอนดีไหมไม่เนาะแต่เดี๋ยวหนูพรุ่งนี้หนูไปงานบวชค่ะ อท uh, ี่วัดญาณที่หนูเคยถามพระอาจารย์นะคะแล้วพี่เขาไปบวชเลยค่ะเข้าพรรษาเลยอ่าม uh, <3 S 1> เดือนเลยค่ะผู้ชายเลยค่ะ <laughs> ผู้ชายค่ะอืแต่ของหนูบวชแค่สมวันวันที่ยี่สิบหนูถึงไปวันที่ยี่สิบเช้าเช้าก็เด็กเด็ก็ไม่ได้บวชนะเด็ก็ไม่ได้ทําเลยค่ะ <laughs> ก่อนไอ้คนโตจะกลับเชียงรายก็ไปสัหน่อยอค่ะมีอะไรไหมไม่ไมีอะไรค่ะ <laughs> เป็นูไปใส่บาเลยอ่าอ่าเห็น ต, ตอนนี้ก็คุณหามคำถามจากทางบ้านมีใครบ้างเชิญกลับนมส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์มีหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าคะ่ะกลับนมส ก, การ์พระอาจารย์ครับทราบว่าปัจจุบันพระอาจารย์ได้เมตตาช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กยากจน จึงขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยบอกถึงความเป็นมาของความช่วยเหลือต่างๆให้สิทธิ์ได้ทราบจักเป็นเมตตาให้สิทธิ์ได้ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับตอนนี้เราขออภัยนะเราไม่ค่อยสะดวกใจที่จะพูดเรื่องราวนี้เท่าไหร่ต้องไปค้นคว้าหาเอาเองแล้วกันะจะจะดีกว่าพูดไปลระเดี๋ยวมันกล า, ายเป็นการเลี่ยไรเป็นอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะเราไม่ค่อยอยากที่จะ พูดเรื่องงานเหล่านี้อย่าพูดแต่เรื่องธรรมะจะดีกว่าโอเคนะหมดด้วยคำเดียวใช่ไหมโอเคองัก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลามาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่วความสุดความเจ ร, ร, ริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเท่าน